อาจารย์ครับกล่าวธรรสักการะครับผมเจาริ์กรคุณหมอท่านผู้ชมทุกฝั่ง<อ>ทุกท่านวันนี้ขออภัยด้วยไม่ทราบกล้องเป็นอะไรยังไม่ได้เวลาตรวจตาเพรามันกับฉันมันกับฉันชิดกันไปเลยขอมาแบบไม่มีภาพไปแล้วกันวันนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเสียงชัดเจนมากครับอาจารย์ครับอแล้วพระอาจารย์ได้เห็นหน้าจอไหมครับผมพระอาจารย์เห็นหน้าจอ เคยเห็นห <c oughs> น้าจ อ, อเห็นอะไรแต่ภาพเราไม่ปรากฏอะไรวินนดีโอของเรามันไม่ขึ้นไม่ทราบกล้องมันเสียหรือว่าสายที่เสียมันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าใช้ก็ใช้ได้อยู่เมื่อวันวันพุธที่ผ่านมาก็ใช้ได้อยู่ก็เดี๋ <c oughs> ยวต้องตรวจดูเจะอาจจะต้องไปลองลองผิดลองถูกกับไ้สายที่มันเสียมือหรืออะไรทั้งอย่างแต่ตอนนี้มีเวลาตรวจก็เลยต้องขออภัยด้วย ครับอาจารย์ครับอย่างนั้นผมขอโอกาสครับอาจารย์ครับพระอาจ า, ารย์ว่าช้าบินฑบาตนี้คนลดลงไปจากวันปีใหม่เยอะแล้วไหมครับก็เยอะถ้าถ้าถ้ามันก็ลดนะถ้าเปรียบเทียบกับวันปีใหม่ถ้าวันถ้าเปรียบเทียบกับวันที่ธรรมดาก็ก็มากกว่าถ้าไหรครับอาจารย์ครับผมที่ห้า้อยเจ็ดสิบห้าโอ้ยก็เยอะเยอะกวันอาทิตย์ทั่วไปเยอะเลยครับเพเป็นวันพระด้วยวันนี้เป็นวันพระด้วยครับผมครับ แล้วก็คนไปฟังถามเยอะไหมครับอาจารย์ครับวันนี้ก็200ครั้งสิบประมอณ200ครัสิบครับผรวมกันทั้งหมดก็800กว่าครับผมสาธุครับอาจารย์ตอนนี้ก็รวมกันตรงนี้ก็น่าจะประมาณ800เหมือนกันครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้อยากจะขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องเรื่องไตรลักษณ์ครับผมกับพอความไม่ตาพระอาจารย์ครับ ใจรักก็คือคุณสมบัติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ปรากฏขึ้นอยู่ในในโลกของพวกเรานี้ที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกนิ้วกายนื้อนวดเป็นใจรักทั้งนั้นคือมีคุณสมบัติสามประการคือหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ แ, แน่นอนเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่ใช่ก็แล้วหรือเปลี่ยนไปสองไม่มีตัวตนอนัตตา สามถ้ า, าไปยึดไปติดอยากให้มันเป็นของเราแล้ว อ, อยากจะให้มันไม่มีการเปลีป่ยนแปลงและไม่มีการดับมันจะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอยาก่างที่เราเห็นด้วยตาหุกสมูกินกายหรือสัมผัสด้วยใจนี้ล้วนเป็นตาร้างทั้งนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากสิ่งที่ยั่งยืนถาวรคือไม่ไม่สิ่งมีอยู่สิ่งอยู่หกสิ่งด้วยกัน ในโลกที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือธาตุทั้งหกธาตุทั้งหกนี่มีอยู่ตลอดเวลาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอวกาศธาตุแล้วก็ธาตุรู้พวกนี้ไม่ทราบมันมาจากไหนเหมือนไม่มีใครสามารถไปค้นความประวัติของมันได้เป็นแต่รู้ว่ามันไม่เกิดมันไม่ดับมันอยู่ของมันมันของมันเป็นอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาธาตุทั้งหกนี่ แล้วเป็นตัวที่สร้างผสมประสานให้เกิดสิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเรานี้ก็ทํามาจากธาตุสี่ธาตนนุินธาตุน้ำธานุลมธาตุไฟแล้วก็มีใจมาเชื่อมต่อแล้วมาติดต่อกับร่างกายได้ใจก็คือท่านุรู้ธานรู้เป็นผู้ที่ส่งกรแสวิญญาณประกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับรูปเสียงกลิาา่นรสสัตว์แต่มาจากจากร่างกายะ แล้วก็ใช้คําสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆด้วยการด้วยใช้ความคิดกระแสของความคิดเช่นเราเห็นรูปสวยแล้วก็บอกเออไปซื้อรูปนี้มา น, นะถ้าเห็นก็โฆษณาบนจอก็ดูเบอร์แล้วก็โทรจองแล้วอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็สั่งสั่งมาทางความคิดความคิดก็มาเข้ามาที่ร่างกายสมองก็ทําตามคําสั่งของความคิดอีกทีหนึ่งสมองก็โทรโทรก็ กดเบอร์ร อ, อะไรสุดแล้วแต่นี่คือขอ ง, ท, องทุกอย่างนี่มันเป็นของที่มันคือสิ่งที่มันรวมตัวกันเช่นดินน้ําลมฝอยนี่มันก็ต้องแยกตัวกันในที่สุดกับคืนสู่ที่เดิมของมันท่าดินท่านน้าท่านลมท้านฝอมันนึงก็ต้องแยกออกจากร่างกายไปเวลาร่างกายตายไปท่านที่ไปก่อนก็คือท่านลมลมไม่เข้ามีแต่ลมออก ตามด้วยาธาตุไฟร่างกายของคนตายกับร่างกายของคนเป็นนี่ต่างกนะันคนตายนี่ไม่มีาธาตุไฟนะเย็นเชียบตามด้วยาธาตุน้ำน้าก็แยกออกมาจากอาวัยวะต่างๆจน ก, การะทั่งเหลือแต่อวัยวะที่แห้งกรอบแล้วก็ผุพังกายเป็นดินไปต่อไปอา่านี่ก็คือตัวอย่างของสิ่งที่มารวมตัวกันนี่เราเรียกว่าสังขาร คือ ส, สิ่งที่เกิดขึ้นจากกา ร, รผสมปรุงแต่งของธาตุธาตุทั้งสี่นี้เรียกสังขารเช่นต้นไม้นี่ก็สังขารก็เกิดจากการปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่เหมือนกันแต่ไม่มีไม่มีธาตุรู้มาม า, มามาเกาะม า, มามาติดต่อด้วยเพราะอะไรเพราะต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกเิ้นกายธาตุรู้นี่ทําการตาหูจมูกเิ้นกายเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะธาตุรู้นี่มีความอยาก อยากในการในการมงุลทั้งห้าอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นล <c oughs> ก็จะไปแสวงหาที่สิ่งที่มีมีเอาไว้อายนานะทั้งห้ามีมีตาหูจมูกม้กายก็สมว่ารัางกายนี้ตายไปถ้ารู้ไม่ได้ตายไปก็ร่างกายถ้ารู้ก็เพียงแต่เปลี่ยนที่เปีน่นเป็นเปลี่ย น, น, น, นหาหาร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือใหม่มาเสพ นั้นในโลกทั้งหมดนี่ก็มีอยู่ของนั่งเดิมที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่หกส่วนด้วยกันดินน้ำลมไฟธาตุแล้วก็อวกาศสัทธาคือพื้นที่ที่ว่างๆอยู่เนี้ยดินน้ำลมไฟมันต้องมีที่ที่ตั้งที่เกิดที่อยู่ถ้าไม่มีพื้นที่มันก็มันก็เกิดมันก็ไม่มันก็ไม่มีเช่นดวงดาวทั้งหลายนี่ก็ต้องมีอวกาศมีพื้นที่ให้มันอยู่ าาธาตุทิศดวงจันทร์อันนี้ก็เป็นธาตุดินน้ําลมไฟใ้่ไหมนะอยู่ที่ว่าประมาณส่วนไหนมันมากกว่ากันมากน้อยต่างกันแต่มันต้องมีเป็นธาตุไม่ธาตุดินก็่ธาตุไฟอย่างดวงอาทิตย์นี่ก็เป็นมีธาตุไฟเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นพวกนี้มันก็มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามารวมตัวกันแล้วก็แยกตัวออกจากกันไป ร่างกายเน้นดินน้ำลมไฟก็มารวมตัวกันแล้วเดียววันหนึ่งก็แยกแยกทางกันไปมันหนึ่งมันก็กลับมารวมตัวใหม่สร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาสร้างต้นไม้อันใหม่ขึ้นมาสิ่งที่มีการรวมตัวของาธาตุสี่มันก็จะเป็นของไม่เที่ยงมันจะอยู่ภายใต้กฎตายดับอนี้นจังทุกขังอนัตตามีเกิดแล้วก็ต้องมอีดับไปเป็นธรรมดาอาจรารย์ครับเข้าใจ อาจารย์คือไตลักษณ์นี้เป็นลักษณะปกติที่พระพุทธเจ้าคนพบอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่คือส่วนใหญ่คนก็เห็นชัดๆอยู่สองอันก็คือเห็นอนิจจังแต่ไม่เห็นอนัตตาแล้วไม่เห็นความทุกข์ที่เชื่อมยึดเชื่อมโยมกับไอ้สิ่งอหลนี้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรพระพุทธเจ้าส่งว่าทุกข์เพราะตัณหาเพราะความอยากเพราะความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ เป็นตายรักนี่ก็เป็นตัวเราของเราก็เลยเกิดความอยากที่อยากให้มันอยู่กับเราเป็นนานเพราะไม่อยู่มันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาครับผมทุกสิ่งทุงอย่างที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียวกว่าโลกกระทนี้ก็เป็นตายรักทั้นั้นลาบโนสนรเซรูปเสียงกลิ่นรสต่าๆมันก็มาจาก พื้โดยพื้นเพก็ามาจากไอ้สังขารคือร่างกายเราเนี่ยเป็นที่มาตัวสร้างมาสร้างสมุติต่างๆขึ้นมาร่างกายกับธาตุดูมาสร้างสมสร้างลาบสร้างยศสร้างสรรเสริญ ส, สร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็มาหลงว่ายึดมาติดกันแล้วพอมันเสื่อมก็เกิดความทุกข์เกิดความเสียใจกันเพราะอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวครับครับผม คนจะไหลคนจะไหลก็รู้ว่ามันจะมีเจรินจะเสื่อมก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปอยากให้มันเจริญอย่างเดียวพร้อมที่จะรับความเสื่อมรอเวลาที่มันจะเสื่อมอย่างไรสมะสภาล่างตอนนี้ก็เสื่อมไปแนละ้วให้คาล่างก็โผล่ขึามาใหม่ใช่ครับผล่ขึามาใม่เดี๋ยวก็เสื่อมอีกอครับครับช้าเรื่อยวก็ไม่มีใครรู้แต เสื่อมตามกำหนดเวลาหรือไม่ก็ไม่มีใครหรืออาจจะเสื่อมก่อนเวลาก็ได้ทีอยากเรื่องนี้จำความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างในรลกนี<ช>้นะครับ แ, แล้วก็ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ว่าเป็นตัวเป็นของเราอยู่ภายใต้คําสั่งของเราไม่อยากจะไปควบคุมทําให้ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่อยากจะให้สภาอยู่ไปครบวาระแล้วไม่อยู่คนที่อยากให้ครบก็จะเสียใจทุกข์ใจเวลาที่มัน มันหมดสภาพไปครับงั้นทุกอย่างา ม, นะาญญาามันเป็นตายตหักวนค น, นที่ฉลาดมีปัญญาก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นไตายรก็ต้องเห็นต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่ามันทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกล่าอย่างนับฝันพระพุทธเจ้าพ้าหลานนี่ท่านไม่ยุ่งกับโลกธรรมเลยทนะ่านรู้ว่ามันเป็นตายรักท่านรู้ว่าเป็นทุกข์ถ้าเป็นไปข้องเกี่ยวกับมัน กเรียนะอาจารย์ครับที่ทั้งชื่อหัวข้อเรื่องไตลักวันนี้ครับอาจารย์ก็พราะช่วงนี้เห็นความอยากผมสังเกตเห็นความอยากของคนเยอะครับเห็นที่ทเลยตอนนี้นนตําแหน่งแล้วเขก็อยากกลับมาอย่างเงี้ยเห็นเต็มเลยแล้วก็เดินหาเสียงกันจริงๆแล้วพอผมเห็นผมก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันว่าเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเกิดไปอยากแบบนี้ก็ก็เลยก็เลยอยากฝากแดกได้ปัญญาจากอาจารย์ครับผมต้องคอยเตือนอยู่เรื่อยอาจาให้ ตอนนี้เราพิจารณาความสิ้นสุดอยู่เรื่อยๆที่นังแก่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราต้องพัดพาก จ, จากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ใช่ก็เร็ววันใดวันหนึ่งครับการพัดพาก จ, จากกันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปอยู่ในขณะเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นที่เราถือว่าเป็นของเราไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วข้าวเป็นของเราชั่วข้าวเราก็ต้องหมดไปเวละของซอ u สาวอนเดี๋ยวก็หมดไปครั บ, รบแล้วก็ไปฟังคลิปอาจารย์ที่เรื่องแข่งแย่งกันนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าถ้าเป็นคนฉลาดเขาก็อยู่เฉยๆดูดูคนเขาแย่งกันไปเพราะสุดท้ายก็ใครก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยครับอาจารย์ใช่ก็เวลาไปงานศพของแต่ละคนไม่มีใครก็เอาไปอะไรได้หรือเปล่าแม้แต่น่างกายยังเอาไปไม่ได้เลยใช่ครับ ันต้องเลืล่อนถึงความเสื่อมอยู่เรื่อยๆความตายอยู่เรื่อยๆมาอานานสติแล้วมันจะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดเกิดสมาธิติขึ้นมาว่าในที่สุดก็ไม่มีอะไรเลยที่เราจะเอาไปได้เป็นของของเราครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับได้ปัญญาตอกย้ำเอาไว้ก่อนครับาจา์ครับจะได้ระวังความอยากของตัวเองครับผม ต่นมาแล ว, าแลวามาเสร็เร็ื่นอะนุจักเลยนะเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัฒนาจากการเป็นธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาครับถ้าเราเรื่อง้อยู่ทุกวันแล้วมันจะไม่หลงอนะ่ะมันจะมีอะไรเครื่องเตือนใจอยู่เรื่อยๆครับผมกลับขอบคุณพระอาจารย์ครั บ, รรรบเนี่ยอาจจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องใจรักเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าผมขอถามเดียงคาถามไปนะครับอาจารย์ครับ คุณแว่นครับการทําสมาธิให้ได้ปฐมฌานมีวิธีทําอย่างไรครับก็ให้มีสติแล้วเลิกเลือดอยู่กับกรรมฐานนด้ที่เราลิกเลือดอยูกับพุทโธแล้วเลิกเลิกเลิกเลิกเกเลือดยูกับลมายใจเข้าแต่ต้องเลึกเลือย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่สองสามนาทีแล้วก็วัดไปคิดเรื่องนั้นวัดไปคิดเรื่องนี้มันตองต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องสักหนึ่งสองสามนาทีเนี่ยมันก็จะได้ปฐมฌานะ แล้วทามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ย ม, มันก็จะ เ, เข้าชานขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วในที่สุดก็เข้าสู่ขั้นที่สี่โดยอัตโนมัติมันเราเข้าเกียร์รถอัตโนมัติเราใส่ตัวดีเข้าไปตัวดตเดียวแล้วเดี๋ยวรถมันก็จะปิดเกียร์ให้เราเองเวลาเราวิ่งไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราโดยอัตโนมัติก็เหมือนกันเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราดูลมหรือบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องมันก็จะเริ่มเข้าสู่ชานที่หนึ่งแล้วก็ จากชานที่หนึ่งมันก็จะเข้าสู่ชานที่สองที่สามไปตามลําดับจนถึงชานที่สี่แต่การเข้าชานนี้มันไม่แน่นอนในบางทีมันจะอาจจะเริ่มที่หนึ่งแล้วมันมันผ่านไปผ่านสองสามลงไปที่สี่อะไก็มีคือจิตรวมแบบตกลุมตกบ่อตกจากที่สูงเนี่ยมันก็จะไม่อาจจะไม่ผ่านขั้นที่สองที่สามหรือผ่านอย่างรวนเร็วก็ได้แต่เป้าหมายของการนั่งสมาธิก็ให้เข้าสู่ชานขั้นที่สี่ ที่เรียกว่มมาจิตรวมสงบนิ่งสัจจว่ารูมีอุเบกขาอันนี้นะเป็นเป้าหมายของการยั่งสมาธิเพราะเป็นจุดที่จะได้สมัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เกิดจากความสงบครับคุณเล่ถามว่าถือศีลห้าอยู่แล้วครับเราต้องสมาทานศีลห้าทุกวันไหมครับมันจําเป็นหรอ การสมาทานก็คือการตั้งใจตั้งใจว่าจะรักษาสี่ห้าถ้าเราเลอกรักษาแล้วเราจะมารักษาใหม่เราก็ต้องตั้งใจใหม่คือสมาทานก็เหมือนก็คือการตั้งศรัทธาที่ฐานนิดหนึ่งทำมาต่อไปนี้จะรักษาสี่ห้าไม่ต้องไปตั้งกับใครก็ได้ตั้งกับตัวเราเองเนี่แหละเพราคนอื่นเขไม่มารับรู้มาคอยเฝ้าดูเราหรือว่าเรารักษาหรือไม่รักษาใช่รับ <c oughs> เราจะรู้อยู่ในใจของเราเองว่าเรารักษาหรือไม่รักษา เราจะแนะนําคนใกล้ชิดอย่างไรให้เห็นโทษของการเกิดเปลี่ยนการอธิษฐานจากการขอให้เกิดมาสวยหล่อรวยฉลาดมีโอกาสปฏิบัติธรรมมาเป็นขอให้เข้าถึงโสดาบันในชาตินี้เลยครับก็เพราะว่ามันมันไม่ใช่จะสวยหล่อตลอดเวลามันไม่มันไม่เที่ยงมันชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องแก่กลายเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างที่เจ้าชายสิท ธ, ธาดาไปเห็นตอนร้แรกๆก็เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะจะต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ พราะพบิดาห้ามออกจากวังไปไม่ให้ออกไปเที่ยวนอกโดยลําพังถ้ายังไปก็ต้องมีการจัดฉากไว้ก่อนมีการต้อนรับเอาแต่คนสวยๆงามๆคนแข็งแรงอะไรมานแมนแต่คนที่ไปเข้าไปในวังก็ห้ามเอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปร <c oughs> าวชายสิทธาถาก็เลยไม่เคยเห็นว่าโลกนี้มีคนแก่คนเจ็บคนตายคิดว่าโลกนี้มีแต่คนหนุ่มคนสาว แต่พอวันหนึ่งได้อยากจะรู้อยากเห็นว่าข้างนอกเป็นยังไงโดยที่ไม่มีอาจารย์จัดฉากอยากจะไปแบบเงี ย, ย, ยแบๆบแอบๆบออกไปออไปก็เลยเจอของจริงขั้นต้นเห็นคนแก่เดินมาหลังคอมก็ถามว่าใครเนี่ยเป็นยังไงทำไมต้องเดินอย่างนี้ก็เหมือนท่านนี่แหละต่อไปท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่างกายของทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยชราก็เป็นอย่างนี้ ต่อไก็เห็นคนเจ็บก็ได้คําตอบเหมือนกันท่านก็ต้องเจ็บอันเดียหเห็นคนขบวนก็แบกคนตายมาไปไปทําพิธีเผาเผาหรือฝังนี่เผาหรือฝังก็ถามมันเป็นอะไรคนนี้ก็าตายแล้วร่างกายของท่านมันเองก็ต้องตายเช่นเดียวกันอันนี้นะ่ะเป็นการเป็นการเปิดหูเปิดตาข้างแรกของยอดชายศิลปะให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังขารร่างกายของพวกเราทุกคนจึงทํำให้ ทัศนกติที่เคยมีอยู่ว่าโลกนี้เป็นโลกที่มีแต่คนหนุ่มคนสาวคนหลอด น, นี้หายไปหมดเลยคิดแต่ว่าตัวเราต้องนองแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทําให้เกิดความเศร้าขึ้นมาทุกครั้งที่คิดก็เราอยากจะหาวิธีดบับความเศร้านี้ให้ได้ก็ได้เห็นนักบวชได้ยินนักบวช น, นี้เขาจะเป็นผู้ที่จะสามารถหาวิธีที่จะทําให้เขาไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้ ท่านก็เลยอยากจะบวชขึ้นมาท่านใ น, นที่สุดก็ได้ออกบวชขึ้นมางั้นเราต้องมองมองตลอดดูหนังต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าไปดูแต่ตอนต้นตอนตอน้ต น, ตนก็สวยงามทุกอย่างเราไม่ดูตอนจบชีวิตเราก็เหมือนหนังทุกคนในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนใครเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะมาเกิด จากคุณหมอฤทธิเดชครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับพิจารณาไตรลักษณ์ทาในช่วงที่นั่งสมาธิได้ไหมครับมันจะเผิอไปฟุ้งซ่านครับคือการพิจารณานี้เราไม่ทําพร้อมกับการทําสมาธิการทำสมาธิเราก็การให้ใจนิ่งไม่้คิดอะไรถ้าเราต้องการคิดเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังไม่ได้ทําสมาธิเนื่องเราอย่าหวังผลคือฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่จะไม่เกิด อากการนั่งคิดอยากจะเกิดปัญญาขึ้นมาอาจจะพิจารณาเห็นร่างกายว่าเป็นเป็นอสุภะเห็นอาการสามสิบสองขึ้นมาด้วยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสร้างศพร่างกายนี้ไม่เที่ยงถ้า ต, ต้องตายกลายเป็นสร้างศพไปอันนี้มันเป็นการปฏิบัติคนละแนวกันเราต้องรู้ว่าเรากำลังปฏิบัติแนวไหนทางการปฏิบัติที่ถูกต้องท่านสอนว่าให้เราผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนคือให้เราผ่านสมาธิก่อน ให้จมีพลังมีเบกขาที่จะหยุดความอยากได้ก่อนถ้าไม่มีพลังที่จะหยุดความอยากได้เวลาเราไปพิจารณาเห็นว่าใจทุกข์เพราะความอยากก็หยุดความอยากไม่ได้คุณเค้กถามว่าถือศีลแปดดื่มนมถั่วเหลืองหรือผงโปรตีนชงได้ไหมครับก็หลังเที่ยงวันไม่ได้หังเท่ยงวันเพราะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารไม่ใช่เป็นยา ยาที่พระอาจารย์อนุญาตให้พระฉันได้ก็มีอยู่ห้ามีเภสัชห้าน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำอ้อยกับน้ำตาลน้ำมันน้ำน้ยยข้นน้ยใสห้าชนิดห้อย่างด้วกันที่ให้อนุญาตให้ฉันได้หลังจากเที่วันไปแล้วถ้าเกิดมีโรคต้องมีโรคเนี่ยเช่นอาการเจ็บท้องอะไรนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไม่มีโรคก็ฉันกันกิงกันแต่สมัยนี้เขาก็ถือว่ากินได้ก็กินกันจะเป็นโรคไว้เป็นก็กินกัน โรคหิวมากกว่าโรคหิวกว่าทางใจแต่คำจะมีไว้เพื่อรักษาโลคกระเพาะหรือโรคอาจจะหนา้าเวียเวียนศีรษะอาจจะแเม็ดขาดขาดขาด น, น, น้ําตาหรืออะไรเงี้ยก็ให้กินน้ําตาขึ้นแล้วกินน้ําอ้อยหรือน้ําผึ้งคุณดำครับนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับเราไม่ได้สนใจว่าเป็นอัตตาหรือไม่เป็นอัตตานิพพานมันจิตที่บริสุทธิ์ จิตที่ไม่มีความอยากแล้วจิตที่ไม่ไปเกิดแล้วเท่านั้นเองจะเป็นหนักตาแล้วไม่เป็นหน้าตาก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญอะไรประเด็นสาคัญก็คือมันบริสุทธิ์หรือไหมเนี่ยมันปราศ จ, จากความโลภโกรธหลงหรือปราศ จ, จากตาัญหาทั้งสานี่หรือไม่ทั้งนั้นที่เป็นประเด็นสาคัญที่จะทําให้เกิดนิพพานขึ้นมามันไม่มีใครเขาพูดถึงว่านิพพานเป็นหนักตาหร้อหน้าตา มันไม่มันไม่มันไม่เป็นประเด็นที่ทะต้งต้องรู้ว่ามันเป็นหรือ ไ, ไม่เป็นที่ต้องรู้ก็คือมันบริสุทธิ์หรือไม่บรยสุทธิ์การเล่นการพนันจะอนุโลมเป็นการผิดศีลข้อห้าได้หรือไม่ครับคือมันเป็นอาบายามุกยังไม่ผิดศีลข้อห้าเป็นอบายามุกที่เราไม่ควรที่จะเล่นกันเพราะว่าเล่นแเรากลัวจะติดและจะเล่นเป็นแบบเป็นมืออาชีพไป ถ้าเล่นแบบนานๆทีปีหนเพื่อนฝูงเจอกันครั้งเล่นกันเพื่อค่าเวลาอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาไม่ถือว่าเป็นอุบายอย่างมุกเป็นกีฬาเป็นกีฬาเป็นการค่าเวลาของของคนที่ไม่รู้จะทำอะไรแต่ถ้าเล่นการพนันเพื่อเป็นอาชีพเพื่อที่จะหวังที่จะอาศัยรายได้จากการผ น, นันนี่มาเป็น เป็นไรายได้เรื่องชีวิตี่อันนี้ไม่ไม่ควรจะทําทเพราะว่ามันจะมันจะล่มจมมากกว่าจะจะเจริญคุณสมพรครับบางครั้งเราอารมณ์นิ่งอารมณ์สงบมีความสุขบางครั้งนี่อารมณ์ขุนมัวอันเนื่องมาจากผัสสะมากระทบอย่างนี้ถือเป็นอนิจจังใช่ไหมครับใช่เพราะวมีมีภัสสะมากระทบทําให้ใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามผัสสะ บางวันมีเรื่องดีๆเข้ามาจิตใจก็เบิกบานสดชื่นบางวันมีเรื่องเศร้าเข้ามาจิตใจก็เส่อเศร้าเนยเวลาที่เราไปรับข่าวจากท้ายชายแดนก็จิตก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาเวลาเราได้ยินข่าวคนอ่าประเทศไทยได้ชนะซีเกมนี้ก็เกิดความสดชื่นเบิกบานขึ้นมาคัมันก็เป็นอนิจจังเพราะสิ่งที่เข้ามาสัมผัสมาก็เทปมันก็อนิจจังมันไม่แน่นอน มันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวสิ่งที่ไม่ดีมันก็มาให้เราสัมผัสได้ตลอดเวลามีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีสุขมีทุกข์เข้ามาให้เราสัมผัสรับรู้ก่อนที่เราจะเสียชีวิตจะให้ดีควรหยุดคิดทุกอย่างใช่ไหมครับเพื่อจะจากไปอย่างสงบครับมันทำไม่ได้หรอกไปทาตอนที่เราจะตายตอนที่เรายังเป็นอยู่ยังทาไม่ค่อยได้เลยยังยากอยู่ ถ้อย่างเอยูุ่ดคิดเราต้องมาฝึกตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายถ้าบอกให้ฝึกตายก่อนตายเนี่ยมาฝึกสมาธิกันก่อนพอเวลาตายแล้วจิตเราจะได้ตายอย่างสงบตายอย่างไม่วุ่นวายแล้วไปสู่สุคติถ้าไม่ไปพรหมโลกถ้าไม่ได้ไปถ้าไม่ไปพรหมโลกก็ไปนิพพานเลยนะมีสองระดับด้วยกันของความสงบระดับสมาธินี่ก็ไปพรหมโลกระดับปัญญาก็จะไปนิพพาน คุณไว้โลตัสครับหนูยังกลัวปวดกลัวตายเคยชิมลางเดินหน้ากุฏิที่มืดมากๆสติดีขึ้นมากเพราะกลัวอันตรายจะถึงตัวแต่พอกลับบ้านมันไม่อยากจะไปทำแบบเดิมมันเสียเส่ยงเสี่ยงหลบๆมันเลิง่งเลี่ยงหลบๆทั้งทั้งที่ประสบการณ์ตรงจิตรู้ว่าสถานสถานที่น่ากลัวช่วยให้สติดีขึ้นมากควรใช้ปัญญาสอนจิตอย่างไรกลัวโดนมูกัดตายแล้วมีโทสะจะลงอบายครับ ก็ต้องยอมร่างกายจริงว่าเราต้องตายร่างกายของเราต้องตายแล้วก็ยอมตายเวลาที่เราไปฝึกในที่ที่น่ากลัวถ้าเราฝึกแค่เพียงแต่ใช้สติมันก็ทำให้เราหายกลัวชั่วคราวในขณะที่เราทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราอยากจะให้หายกลัวอย่างถาวรเราต้องยอมตายถ้ายอมตายครั้งเดียวเราวมันก็จะหายกลัวไปตลอดชีวิตเลยมันไม่นํามานั่งกลัวตายอยู่ทุกวันทุกวันอย่างนี้ ในจิตผู้เห็นจิตแล้วจําเป็นต้องดูจิตไม่ให้หลุดขณะจะสิ้นลมไหมครับคือการเห็นจิตนี้เป็นการเห็นเพื่อให้เรารู้ว่าจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าจิตก็เป็นตายรับไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีสดชื่นเบิกบานมีอาการเสพเศร้าของเราปรัญหาเราคือเราอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันก็เป็นตายรักเหมือนกันมันเป็นอนิจจังท่ากออับอนัตตา ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็จะทุกขึ้นมาเงั้นเราก็ต้องอยากไปอยากปล่อยให้มันเป็นไปมันจะเศร้าก็รู้ว่ามันเศร้ามันจะสดชื่นเบิกบานก็รู้ว่ามันสดชื่นเบิกบานรู้ว่ามันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับเวทนาที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับร่างกายที่เกิดแล้วก็ต้องดับท่านั่นเองให้ดูรักอย่าไปทุกกับมันท่นเองเป้าหมายของการดูจิต มีผู้ตามหาคลิปวันที่สิบสามสิบี่ธันวาที่พระอาจารย์สอนวิธีกําหนดจิตครับก็าหาไม่เจอครับก็อยากจะฟังสรุปบางคำพระอาจารย์ครับสิบสามสิบสี่ของคุณหมอเนะของพระอาจารย์บอกว่าที่พระอาจารย์สอนวิธีกําหนดจิตนะครับก็ก็ไปดูในเฟซบุ๊กหรือ u t u b e ก็ได้นี่ยมันมีมันมีมนมไม่ทราบว่าที่เท่นหรือเปล่า เราก็ไม่รู้หลอกเพราะเราไม่เราไ ม, ไม่ได้ไปติดตามไม่คอยดูวันวันอย่างนี้ยุ่งกับเรื่องปัจจุบันก็นกนหมดเวลาไปแล้วคุณทะเลบอกว่าเคยให้ลูกชายสิบขวบนั่งสมาธิเพื่อให้เขานิ่งเมื่อออกจากสมาธิใช้เวลานานเป็นไรไหมครับไม่เป็นอกสมาธิไม่มีอะไรเสียหายคุณสมพรครับ เวลาเราได้ฟังธรรมบางครั้งพระอาจารย์พริกแพปลงคําสั่งคําสอนนิดเดียวแม้ว่าเรื่องเหล่านั้นเราอาจจะเคยได้ฟังได้ยินมาก่อนแต่พอได้ยินซ้ําที่มีการปรับเปลี่ยนโยงความคิดคําพูดก็อาจทําให้เราได้รับฟังธรรมในอีกมิติหนึ่งโยมรู้สึกอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้พอจะถูกทิศถูกทางแล้วหรือยังครับข้อสำคัญก็คือให้เราเกิดความเข้าใจเราสามารถทําให้เราดับความทุกข์หรือความกังวลใจที่เรามีอยู่ได้ เดวขอหาคำถามสักครู่ครับอาจารย์ขอเทคนิคการภาวนาสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้ภูมิครับหนูปวดตามร่างกายมากแต่ยังเดินได้ช่วยตัวเองได้แต่ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนแข็งแรงปกติได้บางวันปวดหลังปวดสะโพกมากเดินจงกรมได้แค่ห้านาที แต่ปกติเดินได้ไม่เกิน30สนาทีนั่งสมาธิได้ไม่เกินสาสนาทีแต่การเจริญสติทํางานบ้านทั่ ว, วไปหนูรู้สึกช่วยได้ดีกว่าเพราะร่างกายได้ขยับร่างกายเรื่อยๆเพราะอยู่ท่าเดียวนานๆทนปวดไม่ไหวครับก็ถ้าเราอยากจะให้เราไม่ทุกกับความปวดเราก็ต้องใช้ปัญญาถอนใจว่ามันเป็นธรรมดาความปวดของร่างกายเป็นทุกขเวทนาที่มันก็ เป็นอนิจจางมันไม่แน่นอนบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มามันเป็นอนัตตาที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้มันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็อย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราความอยากของเราก็คืออยากให้มันไม่มานันอย่าไปอยากให้มันไม่มาปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ก่อนตายต้องดูจิตไม่ให้วกแวกก่อนตายเพื่อไม่ให้ไปอบอายภูมิในผู้ที่บรรลุแล้วยังต้องทํำไหมครับหรือว่าไม่ต้องทําอะไรเพราะถึงแล้วครับก็ลองทําดูเถิดถึงจะรู้คำตอบวันนี้การใส่บาตรที่เป็นวันพระกับการตักบาตรในวันที่ไม่ใช่วันพระมีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าเหมือนกันเพราะเป็นการทําทานเหมือนกันครับ เหมือนกันทำอาชีพก็เป็นบุญเหมือนกั น, เ ป, นเป็นทานเหมือนกันคุณมาริสาครับอยากขอความคิดเห็นพระอาจารย์เรื่องทหารไทยที่ออกไปรบทั้งที่รู้ว่ามันต้องแลกด้วยชีวิตแต่พร้อมพลีชีพเพื่อหน้าที่ว่าจิตพวกใจของพวกเขาต้องแข็งแกร่งขนาดไหนครับก็คนต่งมีความชอบไม่เหมือนกันไงบางคนชอบอาชีพนี้เขาก็มาทําอาชีพนี้บางคนชอบอาชีพหมอเขาก็ไป เป็นเป็นเป็นหมอแล้วตากความพอใจของแต่ละคนกรับถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งครับฝากของให้คนอื่นใส่บาตรให้เราได้บุญเต็มร้อยหรือไม่ครับบุญที่เกิดจากการให้ของนี่เต็มร้อยแต่ขาดบุญที่เกิดจากการทําความเพียรคือเราไม่ได้ทําความเพียรเราไม่ได้ไปเอาไปใส่บาตรเองให้คนอื่นใส่ให้ คนที่เอาของไปใส่ให้นี้เขาจะได้บุญที่เกิดจากการทําความเพียนแต่เขาจะไม่ได้บุญจากการที่เขาเสียเสียสละของเพราะเขาไม่ได้เสียสละอะไ ร, รข้อที่สองครับสมัยที่โยเป็นวัยรุ่นศีนหลหรักษามไม่ได้เลยทําบาปมาเยอะทุกวันนี้ทําบุญทําทานตลอดอายุมากแล้วยังทันไหมครับท่านถ้าอยากทำอย่างปริมาณยังทันเล้าคน999คน อเจอพระเจ้าพระ เ, เ, เจ้าบอกให้ไปฆ่ากิเลสก็เปลี่ยนเป้าหมายพอไปฆ่ากิเลสก็บรรลุเป็นพระหลหันได้ยังทันอยู่ตามใจที่ยังมียังมีลมหายใจอยู่ยังสามารถที่จะแก้ได้อยู่แก้บัญชีบาปให้มันกลายเป็นบัญชีบุญขึ้นมาได้ให้บุญมากกว่าบาปได้คุณนิจรีครับการคอมเมนต์ในโซเชียลหากไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้ใช้คําหยาบคายอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ คือเป็นการพัฒนานความคิดเห็นอของเราน่ก็ไม่บาตรงไหนถ้าพูดด้วยวาจาที่สุภาพนะโยมเหมือนพัฒนาจิตใจมากขึ้นกล่าวคือพอจิตคิดไม่ดีอุดมไปด้วยกิเลสหากโยมมีสติมากพอโยมก็จะรีบเอาสติไปตัดจิตที่มีกิเลสกำลังกัดกินอยู่แล้วก็บอกกับจิตตัวเองว่าตอนนี้กิเลสกำลังครอบงำเล่นงานจิต จากการที่โยมเอาสติไปฆ่ากิเลสจิตอย่างนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติถูกทางแล้วหรือยังครับโยมฆ่ากิเลสจิตด้วยวิธีนี้บ่อยถ้าจิตไม่เผลิ่บุงเพลินโยมจะเอาสติเอาธาตุรู้เท่าทันจิตไปฆ่ากิเลสจิตทันทีครับถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจิตมันดื้อเราจะทำยังไงเราจะเราบอกว่าให้มันคิดแต่มันยังจะคิดอยู่เราก็ต้องหาวิธีหยุดคิดให้ได้ดมันให้ได้ ถแสดงว่าสติเรายังอาจจะไม่พอกับเรื่องบางเรื่องเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดมันเราพยายามฝึกสติเจริญสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นคุณทะเลครับบอกว่าหนูเคยป่วยหนะักภาวะยึดพุทโธจนถึงความดันตกหมอช่วยทันการภาวะเราควรภาวนาพุทโธหรือปล่อยจิตว่างครับ คือเราทำนี้ไม่ได้ทำเพื่อร่างกายนะเวลาภาวนาเนี่ยเราทำเพื่อให้ใจสงบไม่ให้ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายเพฉะนั น, นถ้าเกิดเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรแล้วใจเราไม่อยากจะทุกข์แล้วก็ใช้สติบริกรรมพุโทโธไปไม่ใช้ปัญญาปล่อยวางร่างกายไปยว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นมันจะไปก็ปล่อยให้มันไปนี่คือวิธีการที่เราจะรักษาใจของเราไม่ให้ทุก แต่เราไปเปลี่ยนสภาพของร่างกายไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปตามสภาพาตามเบสทางปัจจัยของมันคุณอัจฉริยะครับนั่งสมาธิไม่ควรขยับร่างกายควรพิจารณาทุกข์ทางกายอย่างไรตอนนั่งครับตอนนั้นเราไม่ต้องการพิจารณาอะไรเลยเราต้องการให้ใจนิ่งสงบแล้เราต้องใช้สติอย่างเดียวเท่านั้นเองแม้ร่างกายเจ็บก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้ผูกใจไว้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธถ้าเราใช้บริกรรมพุโทโธก็ใช้คำบริกรรมไปถ้าเราดูลมแล้วก็ดูลมต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บของร่างกายอ่าอาการเจ็บมันก็จะไม่มารบกวนใจเราใจเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้ เราซื้ อ, อเป็นซึมเศร้ารอบสองต้องท่อ ง, องพุทโธเหมือนครั้งแรกที่เป็นใช่หรือไม่ครับอาจารย์ใช่ก็เหมือนรับประทานยานะแล้วเราปวดหัวครัง้งแรกเรากินยาแก้บวดหัวหายครั้ที่สองเป็นเราก็กินยาอย่างเดิมอยู่มันก็หายได้เหมือนกันซื้อปลาที่ตายแล้วแต่เรารู้ว่าแม่ค้าค่าปลาตัวใหม่แทนที่เราซื้ออย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปสั่งใ้เขาฆ่าใหม่ ซื้อของที่เขาตายแล้วของที่เขาฆ่าแล้วแต่เขาอยากจะฆ่าใหม่มันก็เป็นเป็นเรื่องของเขาไม่น่้เกี่ยวเรากระผมพาแม่ไปโรงพยาบาล <c oughs> เห็นคนป่วยเยอะมากและได้ยินคนคุยว่าเป็นมะเร็งใจก็คิดว่าเรามีสิทธิ์เป็นทำไมเราไม่รีบปฏิบัติให้พ้นว่าตาสงสารจะได้ไม่ต้องมาเกิดแต่พอกลับถึงบ้านก็สิ่งที่คิดหายหมด กิเลสเข้าแทรกเหมือนเดิมแบบนี้คือกําลังของปัญญาทางธรรมยังมีน้อยมากใช่ไหมครับช่าต้องไปบ่อยๆไามา่ลองไยาบายบ่อยๆ <c oughs> ให้มันเตือนใจนะว่าเราทุกคนจะต้องแก็เจ็บตายด้วยกัน <c oughs> ถ้าเรากลับมาบ้านเราก็พยายามคิดต่อพยายามระรลึกถึงภาพที่เราเห็นต่ออย่างเจ้าชายสีตะถาเนี่ยพอเห็นแล้วก็จดจาำมาทุกวันเลยมั้จนจระทั่งทาให้ท่าน ต้องไปบวช น, นที่สุดเขาเรียว่าจินจตามายะปัญญาเบื้องต้นเห็ น, นเรียกว่าสุตตมยะปัญญาเห็นภาพคนแก่คนเจ็บคนตายนี่มันก็ได้เรียนรู้ว่าคนคนเราต้องแก่เจ็บตายขั้นที่สองก็เอา ม, มาคิดอยู่เรื่อยเรื่อยจินตามายะปัญญาเพราะฉะนั้นไม่หลงไม่ลืมแล้ขั้นที่สามก็คือถ้าอยากจะให้ดับความทุกข์ได้ก็ต้องไปภาวนานั่งสมาธิทําใจให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา เราก็จะหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วอยากกลืนน้ำลายแต่เรามีสติรู้อย่างนี้เราสามารถกลืนน้ำลายได้ไ้ยครับหรือต้องอดทนไม่กลืนน้ำลายครับไม่ควรเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะกลับไปเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วก็เรื่องดึจิตให้เข้าสู่ความสงบจิตจะเข้าสู่ความสง บ, บได้ต้องปล่อยร่างกาย ถ้าากลับเข้าไปแก้ไขเรื่องของร่างกายแล้วก็ยังมันก็กลับไปเริ่มต้นใหม่คุณชาตรีบอกว่าวันก่อนฟังพระอาจารย์เทศจากเทพธรรมะบนเขาเกี่ยวกับอุทธจักในสังโยชนครับฟังแล้วเข้าใจดีชอบมากแต่ลืมแล้วครับขอพระอาจารย์เมตตาเทศเรื่องอุทธจักรอีกครั้งได้ไหมครับอุทธจักรก็คือความฟุง้งซ่านถ้าในสังโยช น, นี่มันเป็นอุทธจักรในทาง ที่จิตอฟุ้งซ่านกับการเจริญปัญญาไม่ใช่ฟุ้งซ่านกับกามาคุณห้าเหมือนใน น, ในิวรห้าในนิวรห้านี่คนที่ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องกามากามาคุณห้าแล้วฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องลาบยุทธฉเสริญแต่ผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านในด้านสัญญาณเบื้องบนนี้ก็คือพระอน า, าคามีกําลัง คิดค้นหาปัญญาเพื่อที่มันรรลสังโยชน์เหลืออยู่อีก5้ตัวอีกสี่ตัวก็คืออรูปรากะาอรูปะรากะมานะแล้วก็อวิชชาก็ต้องใช้การพิจารณานี่บาทีพิจารณาเลยเถิดมันไม่เอาอน่องรู้นอกทางไม่อยู่ในในกรอบของธรรมก็เลยทำให้เกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องแก้ด้วยการหยุด หยุดพิจารณาชั่วข่าวแล้วกลับมาเข้าสมาธิภาพจิตให้สงบก่อนเมื่อจิตสงบแล้วออกมาแล้วพากับมาพิจารณาใหม่แต่ก่อจะสามารถาารับสั่งโยนได้ในที่สุดข้อนี้เหมือนตอนที่หลวงตาติดไหมครับอาจารย์ครับใช่ทุกคนมาถึงมันต้องติดด้วยกันท่าน บ, บอกหลวงตาท่านบอกท่านพิจารณาแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ๋อ กับเรนพระอาจารย์ครับถ้าเราสวดมนต์หลายบทเราต้องสวดนโมตสมัสสะสามจบทุกบทไหมครับสวดครั้งเดียวในบทแรกได้ไหมครับได้ยังไงก็ได้การสวดไม่มีไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีทําเนียมไม่มีข้อบังคับมันเป็นการเจริญสติหรือเจริญปัญญาการสวดนี้ถ้าเราสวดแล้วเราไม่เข้าใจบทที่เราสวดเราก็จะได้แต่สติถ้าเราสวดไปแล้วเราได้เข้าใจความหมายแล้วก็จะได้ปัญญาด้วย ผมเป็นผู้พิการนอนติดเตียงผู้ป่วยมีความรู้สึกแค่หน้าอกครับปวดแสบปวดร้อนตั้งแต่หน้าอกลงมาแต่ต้องนอนเตียงที่นุ่มจะคิดว่าถือสิน 8, แปดได้ไหมครับเพราะผมไม่ได้รู้สึกว่านุ่มครับได้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้ทำได้ความอยากไม่เป็นไรไม่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสินการถือสินแปดเื่อตัดความอยากที่หาความสุขจากการนอนมันฟูกนหนาๆนั่นเอง <c oughs> นั่งเก้าอี้หกชั่วโมงไม่ขยับตัวเลยจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมครับก็แล้วแต่เราที่เรา น, น, นั่งนํานี้มีมีการขยับตัวได้หรือถ้านั่งเรามันเมื่อยอยากจะลุกขึ้นมายืนก็ได้แต่ไม่ให้ไม่ให้เดินไปไหนให้ยืนอยู่ข้าง ท, ที่ที่นั่งเราจุกการยืนยันข้า้สึกเมื่อแล้วจะกลับมานั่งใหม่ก็ได้แต่ถ้านั่งแบบหกชั่วโมงไม่ขยับก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรนะก็ะหลวงตาท่านก็เคยเล่าท่านนั่งหก หกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงได้แต่ไ ม, ม่แต่ไม่ใช่นั่งบ่อยๆทุกวันทุกคืนนะอันนี้ก็เป็นาอนาทิตย์หนึ่งครัง้งหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างนี้ได้อยู่มันต้องมีการผ่อนผ่อนปลนบ้างไม่ใช่ไปบงังคับให้ร่างกายมันอยู่ในระยะบทนเดียวนานๆมันก็อาจจะเกิดเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้ คุณกัญญาถามว่าเวลาไหว้พระเราควรนึกถ we ึงอะไรครับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณเนี่ยที่เรากราบพระพุทธเจ้าเราก็สวดบทเดทีบิโสแล้วก็ธรรมคุณสงฆคุณสามครั้งด้วยกันถ้าเราอยากจะมีเวลานะถ้าเราไม่มีเวลาก็แล้ถึงพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์พระพอถึงพระพุทธเจ้าพุทธสมุทธรามพระธรรมคำสอนก็คือเป็นธรรมของที่พระเจ้าได้ประกาศสั่งสอน ถ้าเราถึงผ้าเนี่ยสงสาวกผ้าหายชนช่า ง, งหลายคุณหลิ่งครับวิญญาณในขันห้าตัวเดียวกับผู้รู้ไหมครับคนละตัวกันผู้รู้นี่เป็นตัวเป็นธาตุรู้แต่ในธาตุรู้นี่มีมีมีวิญญาณอยู่ในธาตุรู้ด้วยวิญญาณที่ไปรับรู้เสียงเกินรดแล้วก็ธาตุรู้นี้่จะเปลี่ยนชื่อจากจากใจเวลาที่ร่างกายตายไป ท่นรู้เวลาอยู่กับใจเราก็เรียกว่าจิตใจอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอร่างกายตายไปท่านรู้อยู่ตามลําพังเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ก็เอาเอานามาขันทั้งสี่ไปด้วยวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณทําอย่างไรใจเราถึงจะตั้งมั่นในสีได้ครับก็ต้องนั่งสัญญาทิฏฐานเราต้อง บังคับตัวเราเองว่าต่อไปนี้เราจะต้องรักษาศีลแล้วต้องมีมาตรการป้องกันหรือลงโทษถ้าเกิดเรามละเมิดถ้าเราละเมิดเราก็ปรับตัวเองทั้งร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแล้วปรับตัวเองให้เราเหมือนไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลก็ได้วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีมาตรการมันเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นไรเอาใหม่รักษาใหม่ไม่มีไม่มีการลงโทษ ถ้า ม, มีการลองโทษไม่ง่าไม่ไหวแล้วถ้าจ่ายบ่อยๆนี่ก็มันก็ <c oughs> ยเงินก็หมดครับทำอย่างไรให้กายกับจิตแยกออกจากกันครับต้องฝึกสมาธินี่ยังสมาธิทำให้จิตรวมด้วยการระลึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธดูดูลมหายใจ จนพอจิตรวมลงแล้วมันก็จะแยกออกจากร่างกายชัวย่วคราวคุณศักกรินครับกาลนวมิตกา ร, กรพระอาจารย์ครับขอโอกาสถามว่าถ้าเราตั้งใจว่าจะทำอะไรบางอย่างเช่นจะขึ้นไปสวดมนต์ในเวลาหนาฬิกาแต่เมื่อถึงเวลาอาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนนั้นๆไปหรือขยับเวลาออกไปจากเดิมทำนองนี้แบบนี้จะถือว่าเป็นการเสียสัจจบารมีไหมครับ ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเราตั้งเราตั้งแบบไห น, นถ้าเราตั้งมีความแน่มันก็ไม่เสียถ้าเราบอกถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉิยนยี่มันก็ไม่เสียแต่ถ้าตั้งแบบนี้มันก็มือนก็ไม่ตั้งก็เหมือนกันเพราะมันก็ไม่ได้ทําเหมือนกันแต่ถ้ า, าอยากจะให้มันแน่ใจแน่ว่าถึงเวลานั้นต้องทําจริงๆเราก็ไม่ตั้งไม่ไม่ตั้งเงื่อนไขอะไรอย่างพระพุทธเจ้ า, าก็ไม่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขก็คือตายแล้วตัดสรูแล้วซะแ้ว ง่ง่ายไขของนั้ น, นอนาคตได้คนต้อโถจนกว่าจะตัดทะลุถ้าไม่ตัดทะลุถ้าเลื่อนด้แห้งเกิดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่นี้ไปก็ยอมตายขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งแบบไห น, นคุณชัยครับแม่เป็นผู้ป่วยมะเรง็งขึ้นสมองโดยฉายแสงมะเร็งหายแล้วแต่แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่รับรู้อะไรไม่พูดมีแต่นอนหลับตาผมขอกราบถามพระอาจารย์วาโ ย, ยมแม่ผมจะรับรู้ได้ไหมครับเวลาผมบอกให้พุทธโทรแม่จะรับรู้ได้หรือไม่ครับก็ลองให้แม่ตอบสิถามแม่แม่ได้ยินไหมแม่พยักหน้าถ้าแม่ได้ยินพื่อพยักหน้าหน่อยต้องถามดูต้องมีการสื่อสารดูถ้าไม่มีการสื่อสารถ้าไม่มีการตอบตอบโต้ก็แสดงว่าท่านไม่ได้ยินเน้ไม่ไม่รู้เรื่องใหม่ก็ได้ พระอาจารย์ครับแล้วอย่างคนที่นอนติดเตียงสมมุติว่าเขาไม่ได้รับรู้ข้างนอกแล้วจิตเขาก็เหมือนกับปิดวิญญาณไปอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์ก็เหมือนตอนที่เขานอนหลับอย่างนั้วก็อยู่ในโลกของความฝันของเข้าไปจิตาก็จะถูกอานาจของบุญของบาปให้บุกแตกให้ฝันเป็นเรื่องราวต่างๆตามอานาจของบุญของบาเที่เขาได้สะสมมาเวลาที่เรากดน้ําให้กล่าวหรือนึกถึงอะไรครับ ให้นึกถึงบุญที่เราทําวันนี้ว่าเราอยากจะส่งให้ใครอยากจะส่งให้คนที่ตายไปแล้วชื่ออะไรก็นะลึกภายในใจไปบุญนี้ก็จะไปสู่บุคคลนั้นเวลาสวดมนต์มีอาการหาวตลอดเพราะอะไรครับไม่ได้ง่วงครับมันเพราะว่ามันไม่ตื่นเต้นาการสวดมนต์มนไม่เหมือนกับพิันดูภาพยนตร์มันไปกระตุน้นกระตุ้นความตื่นเต้นกระตุ้นความสนใจ แต่เวลาสวันนี่มันไม่มีอะไรมากระตุ้นความสนใจให้กับเราเลยเพราะเราก็ไม่เข้าใจความหมายของบทที่เราสวดด้วยมันก็เลยเหงาวมันก็เลยอยากจะนอนมากกว่าเหมือนเราดูภาพยนตร์ที่มันไม่รู้เรื่องนะดูภาพยนตร์ที่ที่มันไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความกระตุ้นอะไรอะไรดูใปบางทีมันก็หลับได้นะครับกาำเรียนถามพระอาจารย์ครับ ถ้าก่อนตายแล้วเห็นอะไรสักอย่างที่ทําให้ตกใจหรือกลัวกังวลใจขึ้นมาคือเราต้องตั้งสติรู้ทันใช่ไหมครับว่าเห็นก็แค่นั้นได้ยินก็ได้ได้ยินไม่ต้องวิเคราะห์ว่าคืออะไรหรือว่าเราควรกําหนดจิตอย่างไรครับอกําหนดจิตให้เฉยด้วยการปล่อยวางจารจะว่าสิ่งที่เห็นเป็นตายรักไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยวเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปให้เรารู้เฉยเฉยไป เวลาไปเข้าโบสถ์มีคําบูชาของแต่ละวัดเราไม่ท่องตามได้ไหมครับเราขอพรเองเป็นภาษาไทยได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเขาบังคับหรือเปล่าว่าเรา เ, ราเข้าไปในนะั้นแล้วเขามีการทําพิธีเราจะต้องกล่าวตามเขาหรือเปล่าโดยมารยาทถ้าเราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ควรยินดีเขารบสถานที่เขาให้กล่าวอะไรเราก็กล่าวไปแต่ก็ไม่ได้ความว่าเราเชื่อหรือเราจะต้องทําตามก็ได้เป็นการทําตาม ประเภทนี้ของสถานที่นั้นไปให้เขาเขาลบออ ก, กาสถานที่นั้นไปจิตของพระอรหันต์ที่ท่านยังไม่ละสังขารในส่วนของวิญญาณเวทนาสัญญายังอยู่โดยไม่ถูกปรุงแต่งโดยสังขารแต่ตัวรู้วงเล็บว ป, ปัญญาสูงสุดเป็นตัวควบคุมในการเทคแอคชั่นทางกายอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับก็ถูกนะก็ต้องมีตัวที่ะ ตัวรู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะสั่งให้ทําอะไรคือสังขารที่เป็นผู้สั่งพผ่า์ตัวรู้ก็ชุพะสั่งพผ่า์ทางสังขารว่าให้ทำโน่นทนํานี่ให้มาเทศมาคุยกญาติโยมนี่ก็ต้องใช้สังขารมาสั่งสั่งสังขารให้มาทําขันก็ยังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของของของตัวรู้อยู่ของจิตอยู่ตัวรู้ก็ใช้ขันนี่เป็นตัวที่จะสั่งให้ทําอะไรต่างๆ ไม่ค่อยเข้าใจการนั่งสมาธิครับแต่ชอบนั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์นั่งนั่งก็คือการนั่งสมาธิแล้วนั่งเพื่อให้ใจนิ่งใจนิ่งก็จะมีความสุขเป็นความสุขมากกว่าที่เราจะได้รับจากการไปเที่ยวสกขอเรียนถามว่าได้ศึกษาพุทธรรมมาระยะหนึ่งรู้และเข้าใจในหลักไตรลักษณ์จากการฟังและเห็นตามนั้นด้วยการคิดตาม แต่ไม่สามารถตัดความยึดติดในเราในใ น, ในของเราและยังปรงไม่ได้เรื่องความกลัวเจ็บป่วยกลัวตายทำอย่างไรจึงจะปรงวางได้มากมายครับเราต้องเข้าสมาธิให้ได้นั่งสมาธิแล้วเข้าสมาธิได้จิตก็จะปรงได้จิตก็จะมีกำลังปล่อยวางได้ตอนนี้ไม่มีกำลังเพราะกิเลสมันให้เรายึดติดอยู่ตลอดเวลาเราต้องเราต้องหยุดการยึดติดด้วยการทจิตให้นิ่งให้สงบ ให้เป็นสมาธิขึ้นมาสติไม่อยู่กับปัจจุบันมีวิธีฝึกอย่างไรได้บ้างครับง่ายๆก็ให้ท่องพุโทโธไปเรื่อยๆ mm hmm. วเวลาท่องพุโทโธจิตมันก็จะไปอดีตไปอนาคตไปได้นะมันก็ต้องอยู่ในปัจจุบันหวังให้จิตสงบมีสมาธิในขณะสวดใช่ไหมครับในขณะสวดมนต์นะครับ การสวดมนต์ถ้าสวนมีสติคือไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นตรองนี้มันก็สามารถสงบได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สงบอย่างเต็มที่ถ้าอยากจะให้สงบเต็มที่ต้องนังสมาธิดูลมหรือบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวอย่างนี้ถึงจะสงบได้เต็มที่คิดว่าตัวเองฝึกจิตมาจนพอใช้ได้แล้ว แต่ป่วยทีไรสอบตกทุกทีกลัวเจ็บกลัวตายอยู่ร่ำไปยากเหลือเกินที่จะวางใจยอมรับได้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพยายามฝึกการวางใจให้ไม่ทุกข์กับมันนะครับเพราะเรายัางไม่ได้สมาธิอย่างเต็มรอยจิตยังไม่รวมถ้าจิตรวมแล้วมีอเบคาแล้วเราก็จะวางใจได้ปล่อยวางได้ ทำอย่างไรเราจึงจะชนะกิเลสได้ครับรู้ทั้งรู้ว่าเป็นกิเลสแต่ก็แพ้ใจตัวเองครับต้องใช้เครื่องมือไงเครื่องมือก็คือศีนสมาธิปัญญารักษาสิน 8, แปะนี่เรก็จะชนะกิเลสได้ในระดับหนึ่งอยากจะดูหนังก็ดูไม่ได้อยากจะกินอาหารหลังเที่ยงวันแล้วก็กินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นใช้ศีลมันช่วยช่วยการกำลังในเบื้องต้นก่อนแต่มันในใจก็ยังอยากอยู่ ถ้าอยากจะให้ความอยากหยุดเน่งก็ใช้สมาธินั่งสมาธิมีสติกับกับใจให้ไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าจิตยืดคิดปรุงแต่งกิเลสก็จะหยุดตามด้วยเพราะกิเลสใช้ความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือเราก็จะหยุดเราก็จะนะความอยากได้ชัว่วคราวในขณะที่เราอยู่ในสมาธิแต่พอออกมาความอยากมันก็จะกลับมากระเพ่ อ, อความคิดได ถ้าอยากจะให้มันหายไปตอนที่มันออกมาเพราะบ่าครับคิดก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่สิ่งที่ใจอยากได้นั้นมันมันเป็นทุกข์มันเป็นเป็นเหมือนงูพิษอย่าไปยุ่งกับมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงทุกข์ว่ามันมันไม่ใด้เป็นของเรามันไม่สามารถอยู่ภายใต้คําสั่งของเราได้ตลอดไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะมันก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรอย่างยั่งยืนเลย ต้องเห็นด้วยปัญญาแต่เมื่อต้องการสายหยุดความอยากด้วยด้วยการด้วยการรักษาศีนก่อนแล้วก็มาละหยุดความอยากด้วยการเข้าสมาธิใช้ใช้สติให้มันสง บ, บชั่วคราวก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเจริปัญญาตอ น, น, นให้ใจเห็นว่าสิ่งที่ต่างๆที่ความอยากอยากได้นัน้นเป็นทุกข์เท่านั้นเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันก็จะเลิกความอยากได้ ใส่บาตรจำเป็นจะต้องใส่น้ำทุกครั้งไหมครับแล้วแตาจะให้จะให้อะไรก็ได้ครับถ้าเป็นของที่มันไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมสายวันนี้คุณแม่อายุเก้าสิบเอ็ดเข้าไอซีแม่ตาขอทำเป็นกำลังใจให้ครอบครัวครับพระเจ้าด้วยครับเขาอยากจะไม่ทุกข์ก็องยอมรับความจริงว่าคนเราในนิสุด ก, ก็ต้องถึงแก่ความตายตอนนี้แก่แล้วตอนนี้เจ็บเริ่มเจ็บแล้ว ก็เหลือขั้นสุดท้ายก็คือความตายยัยาตายชาตายเร็วเท่านั้นเองยังไม่มีใครรอดทั้งหลายยอมรับความจริงดีกว่ารับใจเราจะสบายใจเมื่อร่างกายเจ็บปวดเราต้องฝึกจิตให้ปล่อยวางอย่างไรครับถห้จิตนิ่งเฉยอย่าไปตอบโตอ้อย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปอย่าไม่มีปฏิกิริยากับความเจ็บ ไวให้เขาเจ็บเข้ามาเข้าไปตามเรื่องของเขาเราทําใจให้นิ่งด้วยการมีสติแล้วเลิกเลือกอยู่กับพุทโธ ก, ก็ได้แล้วเลิกเลือกอยู่กับลมหายใจก็ได้จิตไปยึดกับความไม่ดีของคนอื่นทําให้จิตใจไม่เป็นสุขขอแนวการปฏิบัติครับอาจารย์เราต้องมองว่าคนอื่นเป็นเหมือนยินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถจะไปควบคุมบังคับเขาได้เราไมาเ่เคยอยู่งกับเราไม่เคยยู่กับาายบินฟ้าอากาศใช่ไหม เรารู้เราไปทำลายไม่ได้กับดินฟา้ากันก็เหมือนกันคนที่เรารู้จักแล็ไม่รู้จักก็ตามเขาก็เป็นเหมือนดินฟา้ากันเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ดีบางทกีก็ไม่ดีเราไปควบคุมบังครับไปห้ามเขาไม่ได้ไม่สั่งเขาไม่ได้ครไหวเขาให้เป็นไหวตามเรื่องของเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเขา เป็นคนหน้าตาดีอายุ45ไม่เคยมีแฟนครับอยู่ในศีลคนชื่นชมยินดีส่งข้อความเป็นหมื่นๆแท้ตลอดเกิดจากอะไรครับเกิดจากบุญเก่าที่เราทำมาคนที่ทำบุญในอดีตชาติพอมาเกิดเป็นมนุษย์มักจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเปลือกผนังใสฐานะการเงินการทาก็ดีเป็นต้นสุขภาพก็แข็งแรงตาย ก, อายกย็อายุยืนยาวนาน ร, รูปภัยแค่เจ็บไม่เบียดเบียนเป็นต้นนี่คืออนิสงค์ของของบุญของการทำบุญทำทานที่เราทำมาในอดีตชาติตอนเด็กไปทำร้ายสัตว์ไว้มากโดยไม่รู้ว่าเขาเจ็บปวดและทรมานโดยไม่ได้ตั้งใจครับคิดแต่สนุกตอนนี้แก่แล้วเจ็บป่วยหมอหาสาเหตุไม่เจอเป็นเพราะวิบากกรรมที่ทำร้ายสัตว์หรือเปล่าครับและมีวิธีแก้ไหมครับไม่มีหรอกถ้ามันเป็นวิบากก็ต้องยอมรับมันไป วิธีแก้ก็อย่าไปทาใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยววิบากกรรมเก่าหมดแล้วมันก็จะหมดมันจะได้ไม่มีมาเพิเ่มเติมต่อทำอย่างไรถึงจะตายอย่างสงบไม่เจ็บไม่ปวดเมื่อทุกคนไม่อยากตายอยู่จะปล่อยวางสังขารอย่างไรครับต้องฝึกปล่อยวางร่างกายตั้งแต่ขณะที่เรายังมีกำลังที่จะฝึกคือเราต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญา สมาธิก็จิตก็ต้องมีปนมมานุเบคขาเนื่อเฉยได้ปัญญาก็ต้องเห็นว่าร่างกายเป็นตายละมันญานิจังทุกขังอนัตตาหลังจากนั่งสมาธิเสร็จจะอุทิศส่วนกุศลในใจตอนที่ยังหลับตาอยู่แทนการพูดแบบนี้ผู้ที่เราต้องการอุทิศบุญจะได้รับไหมครับคือเรื่องอุทิศบุญนี้พระพุทธเจ้าสอนให้อุทิศด้วยการทำทานเพราะมันเกิดผลขึ้นมาทันที เว่าเราทำบุญใส่บาตรเรเื่องพระจากรพรรดิให้กับใครนี้ความรู้สึกสุขใจมันเกิดขึ้นทันทีเนี่ยแล้วอุทิศบุญก็คืออุทิศความสุขใจให้กับผู้ที่ไม่มีความสุขใจได้รับแต่การนั่งสมาธินี่มันบางทีมันยังไม่สุขใจนะมันยังไม่ได้ผลเนี่ยไม่ได้ผลเราจะอุทิศอะไรไปมันก็ยังไม่มีอะไราจะให้อุทิศได้ถ้าจิตไม่โดเป็นอัปปนาสมาธิมันยังไม่มีผลเกิดขึ้นะ จะไม่นิยมที่จะอุทิศบุญด้วยการได้จากการนั่งสมาธิหรือจากการรักษาศีลถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ทำบุญทำทานไปเป็นภูมิแพ้ครับตอนเช้าตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วมีปัญหาเรื่องอานาปานาสติคัดจมูกหายใจไม่สะดวกจามด้วยขอวิธีการพิจารณาแบบอื่นครับอาจารย์ครับ ก็ฟังเทศฟังธรรมก็ได้นะแต่เราเปิดเครื่องเปิดฟังเทศฟังธรรมไปฟังเสียงธรรมก็ทําให้จิตเราสงบได้แต่มันไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ลึกเหมือนกับการที่เราดูเราหมายใจแต่เราก็ต้องยอมรับสภาพของเราว่าเราไม่เอาประสาดดูเราไม่ได้หรือจะเปลี่ยนในวิธีเพ่งกระสินก็ได้เช่นเพ่งโค้งกระดูกก็ได้นึกถึงภาพของโครงกระดูกแล้วก็หลับตาให้ภาพโค้งกระดูกนั้นปรากฏขึ้นมาในตาในใจเรา เราพยายามให้มันอยู่ไปอยู่กับภาพนั้นไปมันก็เป็นการมันกั ก, การเพ่งวมทนันทีเพ่งลมหรือว่าเพ่งคงกระดูกก็ได้หรือจะใช้สีก็ได้สีขาวก็ได้หลับตาแล้วนึกถึงสีขาวให้มีแต่สีขาวปรากฏขึ้นมาในใจของเรารอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราใช้อนาปานสติไม่ได้ก็ใช้กสิสแทนใช้สีขาวสีเหลืองสีเขียวสีแดงเป็นมีสีส รือจะใช้ภาพคงกระดกืออากาวิยาวะอันไดอันหนึ่งก็ได้ที่เราสามารถที่จะใช้เป็นที่เพ่งเป็นที่ปูกใจเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ได้หรือฟังธรรมก็ได้สวดมนต์ก็ได้มันก็มีหลายวิธีแต่ผลผลที่มันจะเกิดมันก็จะต่างกันส ป, ปายะคือกิเลสหรือสถานที่สภาวะที่ถึงพร้อมครับ สปายะแปลว่าสบายสถานที่การพาวนา น, นี้ยทาบอกว่ามันมีเพปัจจัยที่เราควรจะพิจารณาอยู่สีปัจจัยด่วงกันที่คือหนึ่งบุคคลสปายะคือคนที่เราอยู่ด้วยมีธรรมะธรรมโมหรือเปล่ามีครูบาอาจารย์หรือเปล่ามีสปายะทางบุคคลสัปายะทางสถานที่คือสถานที่สงบสงัดหรือเปล่าวิเวกหรือเปล่าไม่มีเสียงรบกวน สปายะทางอากาศก็คือบินฟ้าอากาศไปอยู่ที่มันร้อนกันไปแล้วก็อาจจะทําให้ถูกกับความร้อนแล้วก็อาจจะลําบากถ้าเราชอบความเย็นเราอาจจะต้องไปหาสถานที่ที่มันเย็นไปอยู่ที่นั้นมันจะสปายะกว่าอรมยกว่าอากาศสปายะแล้วก็อาหารสปายะอาหารบางแห่งที่เราไปอยู่อาจจะไม่ถูกปากถูกร่างกายเรากินแล้วอาจจะทําให้การการท้องเสียงหรืออะไรขึ้นมาก็ได้ ดื่มกินแล้วไม่อิ่มก็ทําให้เกิดภาวะหิวในอุปสรรคได้อันนี้ก็คือสปายะต่างๆที่เราต้องใช้มาวิเคราะห์ดูว่าเหมาะกับเราอย่างไรแต่และคนมีสปายะไม่เหมือนกันเมื่อมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แล้วทําให้อยากจะทําทานรักษาศีลภาวนาให้ได้มากที่สุดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทางโลกถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ ถูกต้องเพาเราก็รู้เรื่องในหนงแล้วกาอะไรไปไม่ได้เลยกรรมฐานแก้กรรมได้ไหมครับหรือทํากรรมให้ส่งผลน้อยลงหรือควรทําอย่างไรหรือแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันก็พอครับองกรรมฐานนี่ทำให้เราหนีกรรมได้แก้กรรมไม่ได้แต่หนีกรรมได้อย่างองคคุลิมาเนี่ยก็ใช้กรรมฐานฆ่ากิเลสพอกิเลสตายหมดก็มนุษย์ถึงพ้นานิี่พานพอ พอตายไปก็ไม่มาเกิดใหม่เป็นคำที่เคยทําไว้มันก็ยังไม่สามารถตามมาส่งผลได้อีกต่อไปแจะสม่งผลได้เฉพาะช่วงที่ยังไม่ตายนะฮคุลิมานี้พอบรรลุภะหลานแล้วเวลาที่เขาไปเดินไปตามหมู่บ้านที่เขาเคยไปค่าคนนั้นพอคนจําได้เขาก็เห็นเฟรมใส่ไล่ขับไล่แต่ใจเขาไม่เดือดร้อนใจเขาไม่เขารับสภาพต่างๆได้เพราใจเขาไม่มีกิเลส แถ้าเขาไม่มากรรมมาเกิดก็จะไม่มีร่างกายให้ใครไปไปให้กรรมไปแสดงผลต่อได้เป็นเพียงนิพพานแล้วก็จบน้กรรมได้จะทำบุญแทนผู้ป่วยติดเตียงจะทำได้หรือไม่ครับและทำอย่างไรครับคือการทำบุญนี้มันต้องเกิดจากเจตนาของของของบุคคลก่อนแล้วก็ต้องเป็นของขอ ง, ของบุคคลนั้นด้วย ถ้าคนติดเตียงเขาอยากจะทำเงินมันก็บอกว่าช่วยเอาเงินของเราไปซื้ออาหารใส่บาตรนี่ก็ทําได้แต่ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่คิดเขาไม่มีเงินเราจะทําให้เขานี่เราทําให้เขาไม่ได้เราทําเราจะได้เราเป็นคนได้เองเขาไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นเงินของเขาไม่ใช่เป็นความคิดของเขาขอคุณสโลบายครับที่จะทําให้ลูกหยุดความอยากไปดูฉากรักในมือถือทั้งๆ ท, ที่รู้ สิ่งที่เราดูเป็นเพียงภาพแต่ใจปรุงแต่งและคนที่เราดูในภาพเขาต่อไปก็แก่และตายพอดูก็เสียใจแต่ใจก็ยังเลิกโดวเด็ดขาดไม่ได้ครับก็อบอกเขาเสสั้นก็มันมีผลเสียหายกับเราอย่างไรก็อบอกได้ท่านเองเขาจะเชื่อไม่เชื่อว่าแล้วแต่เขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องทำงานกับคนหลากหลายทั้งที่เป็นมิตรและรู้สึกไม่เป็นมิตร จะสามารถนําหลักธรรมใดมาใช้ได้บ้างครับเพื่อให้ใจเป็นกุศลจิตครับก็เราอย่าไปยึดถือกับคนว่าจะต้องเป็นไปตามความอยากของเราเพราะคนเรามีหลากหลายเนียกันเป็นเหมือนผลไม้บางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นมรดกอบางคนก็เป็นสับปะรดเราจะไปอยากให้เขาเป็นมรดกทุกคนมันไม่ได้หรอกกาต้องยอมทําใจยอมรับกับความแตกต่างของคนถ้าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนเราก็ต้องคิดอย่างนี้ เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนใจเราได้เปลี่ยนใจเราอยากไปจุ้จี่จุกจิกได้ให้เราสันโดษยินดีตามมีตามเกินพุโทโธเป็นเครื่องอยู่แล้วมีความสุขตรงกลางจะแตกสุขมากๆที่ไม่เคยสุขมาก่อนสุขอยู่สามวันก็เสื่อมนั่งสมาธิแล้วซึมตอนนี้ใช้กายเคลื่อนไหวโยมเลือกงานอยู่กับสัตว์และรู้กายแต่ชอบลืมกายและจิต จะฝึกตอนทำงานได้อย่างไรครับก็ทำไม่ใช่วิธีเดิมที่เราเคยใช้มาก่อนที่จะได้ผลดีวิธีไหนที่ได้ผลเ็ควรจะใช่วิธีนั้นต่อโยมขอถามว่าในขณะที่ฟังพระสวดหรือให้พรเราควรนึกพุทโธในใจหรือทำใจให้ว่างครับก็นะก็รับรับพรไปฟังเสียงไปจะดีกว่า คือท่านเนี่ให้พรแต่งตา้สารชั้นใช้ภาษาบาลีซึ่งเราไม่เข้าใจแต่ก็ฟังไปฟังเสียงไปก็แล้วกันอยากจะทำบุญแทนผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมครับจะทำได้หรือไม่ทำอย่างไรครนบทำไม่ได้ไเพราะว่าทำบุญทําทานนี้นต้องเป็นเป็นกิดจัดจิตนาของของผู้ผู้นั้นถึงจะได้บุญเองคนอื่นทําทให้ไม่ได้ การเรีนสารวอย่าประมาทอย่างตอนนี้เราทําอะไรได้นี่ทําเตัดตอนนี้วันนี้ทําให้เก็บสะสมได้อย่าไปรอให้เวลาที่เราเจ็บไายได้ป่วยแล้วทำไม่ได้นะต่อเนื่องนิดนึงครับอาจารย์บอกว่าแล้เอาเงินในบัญชีผู้ป่วยที่ติดเตียงมาทําบุญใส่บาตรอย่างนี้เขาได้บุญไหมครับต้องเป็นคำสั่งของเขาก่อนอย่าีเดี๋ยวบางคนเข้าม า, าเราอาจจะถือว่าเป็นขโมยเงินเขามัเนมเนสียด้วยซ้ำไป ต้องไอเขาเป็นคนสั่งบาดนั้นเป็นคนอนุ ญ, ญาตก่อนแล้วเขาถึางจะได้บุญเพราะเป็นของของเขาการไปกราบพระอาราธนตธาตุของพระพุทธเจ้าตามพระธา ต, ตาุต่างๆโดยการเดินรอบพระธาตุแล้วสักการะด้วยดอกไม้ได้บุญไหมครับก็ได้นิดหน่อยได้การเรื่องถึงพระพระพระสังฆคุณ ว่าโลกนี้ยังมีภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่คือเป็นการเสริมศรัทธามากกว่าเป็นการเสริมศรัทธาให้นำอความเชื่อมั่ในพระพุทธธรรมประสงค์และเราจะได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านต่อไปทหารไทยที่เสียชีวิตในชายแดนเราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตต้องทําอย่างไรครับก็ทำบุญทำทานใา่บาตอย่างนี้ เรากท็ทีไปให้กับท่านานั้นกำลังทำกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นอยู่แต่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงอิติปิโสในหัวตัวเองควรทำอย่างไรดีครับก็ไม่ต้องไปสนใจให้มีสตยอยู่กิจกรรมที่เรากลังทำอยู่ต่อไปคุณมีนาครับตอนนี้มีพักการเมืองพยายามผลักดันกฎหมายการุญยฆ า, าต ถ้าผ่านขึ้นมาอาจจะเป็นกระแสให้คนทําตามกันคนรอบตัวค่อนข้างเห็นชอบกลัวว่าต่อไปอาจจะเป็นค่านิยมปกติของสังคมส่วนตัวถ้าป่วยทรมานหนักมากๆ ก, ก, ก็กลัวจะเหวยเหมือนกันเพราะไม่มีลูกไม่มีคนดูแลอยากกราบขอคําแนะนําแนวทางที่ควรดาเนินครับเราก็ต้องยงอมเล่ากระแสของโลกว่ามันเป็นอย่างนี้ยิ่งห่างสีนธรรมมากเท่าไหร่ห่างธรรมะมากเท่าไหร่ความหลงมันก็จะทําให้เกิดความคิดเหล่นี้ขึ้นมา เราก็ห้ามเขาไม่ได้ว่าเขาไม่เข้าหาธรรมะเขาไม่เห็นโทษของการฆ่าถึงมันจะเป็นการฆ่าเพื่อเพื่อช่วยเขาไม่ทรมาน ก, ก็ตามมันก็ยังเป็นการกระทําที่บาปอยู่อันนี้ก็ต้องยอมนับว่าทุกวันนี้โลกจะเสื่อมไปเรื่อยๆความคิดอะไรต่างๆนี่มันจะไปทางกิเลสซส่วนใหญ่อนทางคุณหมอพยายามต้านกาซิโนโ น, นี่ยเดี๋ยวว่ากลับมาอีกเชื่อเถอมันต้องกลับมาอีก ไอ้ของไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันชอบจิตใจของคนส่วนนี้ชอบของไม่ดีนะของดีมันก็ชอบกันก็ไม่จะทํายังไงก็มีแต่สอนให้คนที่เลือกสอนคนก็แล้วกันคนที่เขาชอบก็สอนคนที่เป็นคนชอบของดีเราก็สอนเข้าไปคนที่เขาไม่ชอบของดีเราก็อย่าไปเสียเวลาสอนเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามตามบุญตามกรรมของเขาไป ข่าววันนี้ลูกชายแทงแม่เสียชีวิตแม้แม่จะยกมือไหว้ขอชีวิตแต่ก็ไม่หยุดรู้สึกหดหู่มากเลยครับจะทําใจอย่างไรครับก็เนี่แหละกระแสของเราเป็นอย่างนี้ห่างไกลธรรมะไม่มีไม่มีคำ ว, ว่าตันยูกตเวทีเลยไม่มีสัมมาคารวะไม่มีใครสอนเวลาใส่บาตรตอนเช้าให้อธิษฐานจิตยอย่างไรให้มีให้ชีวิตมีความสุขครับ ไม่ต้องอธิษฐานเราเพว่าการทําบุญใส่บาตรมันก็ทําให้เรามีความสุขอยู่แล้วโดยอัตโนมัติถ้าจ ะ, จะอธิษฐานก็ขออธิษฐานให้ทําบ่อยๆทํามากๆก็ได้มีความสุขมากว่าจะทําอย่างไรให้จิตตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาครับให้มีพุโทโธตลอดเวลาแล้วลึกถึงพุโทโธตลอดเวลา นั่งภาวนาแล้วน้ำลายออกมาเต็มปากบางทีก็ไหลออกมาเลยสภาวะแบบนี้ต้องทําอย่างไรครับเพราะไม่อยากออกจากภาวนาครับก็ปล่อยมันไหลไปเดี๋ยวแรกก็ค่อยมาเช็ดมาล้างออกได้อย่าไปสนใจถ้าสนใจมันก็จะติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องคอยคอยเกินน้ําลายอยู่แน่ก็จะไปไม่ถึงไหนทุก์ในไตรักก็คือทุก์ในอริยศาสี่ตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับได้ตัวเดียวกัน อยากให้มันของที่ไม่เที่ยงเที่ยงอยากย้ห้ของที่ไม่ใช่เป็นของเราไปของเร า, อเราพอมันไม่เป็นของเราวอมันไม่เที่ยงเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากระหว่างเดินจงกรมปกติดูกายเดินรู้สึกตัวทั่วพร้อมถามว่าถ้าควกดูลมหายด้วยได้หรือเปล่าครับ คือลมมันจะดูยากนะเพราะมันละเอียดเวลาที่เราเดินนี่ขนาดนั่งมันดูไม่ค่อยได้เลยเวลาเดินแต่ถ้าเราดูได้ก็ใช้ได้จะดูลมก็ได้จะดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ก, ก, ก็ได้แล้วแต่เราข้อสำคัญก็คืออย่าให้ใจเราไปคิดทางนั้นทางนี้ก็แล้วกันถ้าเราไม่มีเวลาจะไปทําบุญสามารถโอนเงินทางโทรศัพท์ได้บุญไหมครับ ได้บางคนก็ใส่บาทแทนเราได้หรืองุ่นเงินเข้าบัญชีของวัดไปก็ได้หรือเข้าบัญชีขององค์กรต่างๆจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้ก็ได้วุ่นเหมือนกันขอสิ่งที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมครับสติพระเจ้าบอกสตินี่มัน ท, ทําได้สําคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วผลก็จะไม่เกิดนั่งสมาธิจิตก็จะไม่สงบ จะไปใช้พิจารณาทางปัญญาเพื่อหยุดกิเลสก็หยุดไม่ได้ต้องฝึกสติก่อนคุณเจ้าบอกสตินี่ความสํำคัญยิ่งใหญ่กว่าทําทั้งปวงท่านเปรียบเทียบสติเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่าสามารถครอบขนาดของรอยเท้าของสัตว์อื่นๆได้หมดสติก็เป็นอย่างนั้นสติมีความสําคัญมากที่สุดมากกว่า ทำอย่างอื่นเพราะทำอย่างอื่นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติต้องมีสติก่อนถึงจะทำอะไรได้ถ้าเมาเร า, าทําอะไรไม่ได้เลยกุณหมอใส่บาตรก็ไม่ได้นัง่ ง, นงสมาธิก็ไม่ได้เอาเทศสั่สงทำก็ไม่ได้ผู้เห็นชัดการเกิดการดับแล้วยังไม่เข้ากระแสะโสดาบันใช่ไหมครับ ก็ต้องปล่อยต้องพิสูจน์ือว่าปล่อยได้แล้วไม่่วยให้ร่างกายเกิดดับโดยที่เราไม่ไปทุกข์กับมันได้เลยไม่ถ้ายังทุกข์อยู่ก็ถ้ามันทุกข์อยู่ก็ยังแ ส, แสดงว่ายังไม่เข้ากระแสปัจจุบันมีศัพท์ใหม่มาเรียกบุคลิกภาพเช่น introvert extrovert ในทางพระพุทธศาสนามีการแบ่งแยกบุคลิกภาพไหมครับและการเข้าถึงธรรมโดยง่ายขอแนะนาแต่ละบุคลิกครับอาจารย์ ทำแล้วก็มีแยกไว้อยู่สี่เช่นสี่ชนิดด้วยกันคือบุคคลที่มีกิเลสมากน้อยมีปัญญาหนาทึบเนี่ยก็แบ่งเป็นสี่สี่ชนิดด้วยกันบางคนมีกิเลสมีกิเลสมากปัญญาทึบเนี่ยบางคนมีกิเลสมีกิเลสมากแต่นี้ก็เป็นปัญญาที่แหลมคมก็ได้มันก็มีมีแบบไว้สี่สี่จําพวะด้วยกัน มีเสียงวิ้งวิงในหูตลอดจะเป็นนั่งสมาธิหรือออกจากสมาธิก็ยังเป็นอยู่ตลอดทั้งวันครับอาจารย์ใช้นุเฉยๆไปว่าเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับเสียงง ม, มพัดไปล้วทำอะไรไม่ได้มันจะอยู่ก็ไปมันอยู่ไปอย่าไปทุกข์กับมันฟังธรรมปะพระอาจารย์และฝึกสมาธิตามคำสั่งสอนทุกน้อยลงเบื่อโลกไม่ชอบสังคมสังสรรค์เหมือนเมื่อก่อน แต่ต้องทำงานพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานรู้สึกแตกแยกอยากอยู่ลำพังทำใจอย่างไรเวลาทำงานต้องอยู่กับคนหมู่มากครับก็คิดว่ามันเป็นอาชีพของเราเ ป, เป็นการการแสดงดวลาสักนักแสดงเขาก็ต้องแสดงบนขอเขาไปเป็นอาชีพเราก็ถือว่าเวลาไปทำงานล้วกเ็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งเป็นอาชีพของเราเราก็แสดงไปใช้เมตตาทํากับทุกคนเวลาที่เราไปเจอใครก็ตาม ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเขาอย่าไปหวังอะไราจากเขาแล้วเราจะไม่ไม่เดือดร้อนถ้าเราไปหวังว่าเราจะรังเกียจเขาได้าถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังงั้นเราอย่าไปหวังอะไจากใครในขณะที่เราไปร่วมงานกันคิดว่าเป็นการแสดงหนังกันไปก็แล้วกัน <c oughs> เขาก็เป็นตัวตัวตัวละครแล้วก็เป็นตัวละครเราก็เล่นบทของเราไปเขาไเขาเล่นบทของเขาไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับใครครับ <c oughs> น้าหน้าไปน้าไปใช้ดีนะคุณหมอนะ่ยเจอใครก็เคี่ยวเป็นเป็นบทละครเขาก็เขาก็เล่นบทละครของเขาเราก็เล่นเล่นบทละครของเราไปแล้วก็อ่อนทําตนเป็นสุภาพบุรุษเขาจะแสดงวาจาหยาบคายแล้วก็จะทางเปล่อยก็แสดงของเาเขาก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวละครตัวนึ่งได้ข้อธรมะมากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมต้องเจอคนเยอะด้วยครับแล้วก็อ หลายครั้งก็มีหลายรูปแบบใช่มใช่ใช่ครับอาจารย์ครับแต่แต่นึกถึงพระอาจารย์ตลอดครับว่าถ้าถ้าเป็นพระอาจารย์จะปฏิบัติอย่างไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะผมคิดคิดเองนะครับแล้วผมก็จะปฏิบัติครับผมทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนมีการฆ่าทหารฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อปาะนามไหมครับผิดดังนั้นมากเผิดน้อยอยู่ที่เจตนาความตั้งใจ ถ้าถ้าถ้าทำร้ายเพื่อป้องกันตัวนี่มันมังผิดน้อยกว่าทำร้ายเพราะว่าฆ่ า, าพยาบามบั่นทอนคนที่บ้านมีความเห็นว่าการค้าขายกาันฉาเป็นการทําให้ผู้มาซื้อใช้ผ่อนคลายเป็นการให้ความสุขชั่วคราวที่คนจะหาได้คนที่มาซื้อก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรแล้วเราก็ขายด้วยเจตนานดีแต่เรามองว่าไม่ใช่สัมมาอาชีวะ กลัวเขาจะบาปและก ล, ลัวเขาจะไปรับอบายเราควรแนะนําหรือทําอย่างไรดีครับก็อย่าไปอินขายนะเจ้าถ้าจะแนะนําก็บอกมันมีทั้งคุณทั้งโทษนะคืออาจจะช่วยบรรเทาอะไรโลกบางอย่างได้แต่มันก็ปัญญาเสดติดเสดแล้วมันจะจะติดแล้วเวลาไม่ได้เสดมันก็จะเกิดอาการงวดเหย็นเกิดอาการบ้าข้างขึ้นมาได้น่าจะแม้อารวาททาให้บุ้่นเสียหายเดี๋ยวนอนได้ เมื่อเราปริวาติกรรมหรือปฏิบัติธรรมเสร็จที่วัดเราควรอธิษฐานจิตอย่างนี้ได้ไหมขอได้ไหมครับขอศีลสมาธิปัญญาสมาธิและให้พบพระพุทธศาสนาทุกชาติครับขอไม่ได้หรอกขอได้เพียงแขอให้เราทําอะไรท่านนั่นเองถ้าขอให้เราปฏิบัติบ่อยๆอย่างนขอได้แต่ขอให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นวันนี้มันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่ไปสั่งมันได้ ผมนั่งเมือคิดถึงคนมีเจ้าของแล้วจู่ๆพระอาจารย์มั่นท่านลอยมาในท่านั่งสมาธิกระแทกเข้าที่หน้าผากครับอย่างนี้คืออะไรครับอาจารย์ก็คืออย่างนั้นนะออ <c oughs> หนูรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแม้เห็นตามเหตุผลว่าสมควรอย่างนี้หนูถือว่าผิดหรือไม่ครับก็ไม่ความเห็นของเรา นี่แต่ละคนมันอาจจะมีทัศนะกะติไม่เหมือนกันนะมันก็ถ้าเป็นเรื่องของเราไปเราอย่าไปขัดแย้งกับคนอื่นที่เขาไม่เห็นเก่าเราก็แล้วกันเห็นของเราเราก็เห็นของเราเขาเห็นของเขาก็ปล่อยเขารอดจิตที่ของกันและกันครับถ้าเดินจงกรมบนบ้านครับระยะทางที่ต้องใช้เดินที่เหมาะสมต้องอย่างสักกี่เมตรครับเป็นขั้นต่ําครับก็แล้วแต่คือเดินท่านมากๆมันจะเท้าเราเวียนหัวได้ เราค่านหมอนหน่อยเยอะแล้วลก็ปกติทางจังพคมอ ย, อย่างอย่างต่ำอย่างน้อยต้องย 20, 20, ี่สิบ2ล้วยี่สิบห้าเก้านไปเครียดจะลาออกจากงานราชการทิ้งครอบครัวหนีไปอยู่คนเดียวไม่อยากแบกปัญหาต่างๆอย่างนี้ทำได้ไหมครับก็ลองทำดูสิทำมันได้ทา ไ, ได้แล้วไม่ได้ก็ทำไปดู เวลาจิตเราเผลอลงคิดไปจะทำอย่างไรให้เรากลับมารู้สึกตัวครับก็ต้องฝึกสติบ่อยๆฝึกพุโทโธแล้วเตือนสอนใจว่าอย่าลืมพุโทโธนะเราคอยตรวจตาดูใจเราอยู่อยู่กับพุโทโธหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็ก็รีบกลับมาหาพุทโธเสียไม่ได้ไปวัดทาบุญแต่ให้ทานคนกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับได้ไหมครับ ได้นะน่าจะได้ก็เป็นทานเหมือนกันอย่างในพระไตรปิฎกนี่ท่า น, นแสดงว่าให้ทำบุญกับพระนะอันนี้ก็เพราะมันมีกรณีเดียวที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำบุญอุทิศเนี่ยมันก็เลยท่านก็บอกให้ทําบุญใส่บาตรกับพระไปแต่ถ้ามาพิจารณาว่ามันก็เป็นการให้เหมือนกันให้กับขอทานมันก็เป็นการให้เหมือนกันจะต่างกันหรือไปอย่าอะไรเราไม่รู้เหมือนกันนั้น้ขออภัยไม่สามารถตอบได้ ถ้าเราถามแม่ว่าจะทำบุญไหมแล้วแม่ก็ฝากเงินให้เราไปทาบุญอย่างนี้แม่ได้บุญไหมครับได้ไดมันเป็นเงินของแม่แล้วก็เป็นเจตนาของแม่เห็นแต่ว่าท่านอาจจะไม่สดุกไปทำเองพอมีคนมาถามก็เลยเาฝากเขาไปทำได้ถ้าลูกทำทานเยอะๆบ่อยๆและอุทิศบุญไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจะสามารถช่วยให้ดวงจิตดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ไหมครับ ได้ท่านก็รองลับอยู่อยากทําบุญให้กับปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอะไรที่จะทําให้ผู้ล่วงลับได้บุญมากที่สุดครับก็เนี่ยทำมากๆใส่ทำบุญใส่บาทําทานอะไรเป็นต้นทํำให้มากยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้น ทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีวายาวัจกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์ได้บุญเท่ากับทำบุญใส่บาทพระไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวายาวัจกรนั้นเขาจะาไปให้พระใช้หรือเขาเข้าไปใช้เองถ้างเข้าไปใช้เองก็ได้เหมือนกันแต่วายาวัจกรเราก็จะได้บุญจากการทำบุญกับวายาวัจกรแต่เราจะไม่ได้สนับส น, นุน วันเรือพระสงฆ์เจ้าเพราะมันจะไปเป็นชองวายาวัชกรแทนทำอย่างไรให้เราคิดก่อนทําครับก็ต้องฝึกในสายนี้ไว้ต้องฝึกสติให้ามากๆเราจะได้เรื่องเห็นความคิดของเราตอนที่เราไม่เห็นความคิดของเราเราจะเห็นการกระทําของเราเพราะเราไม่เคยมองความคิดของเราเราไม่เคยมองเข้าไปในใจเราต้องฝึกสติดึงใจให้กลับเข้ามาในใจ แล้าต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นคัามคิดของเราก่อนที่เราจะทำอะไรสี่ห้าข้อใดสำคัญที่สุดครับ ท, ทั้งหมดการเห็นความจริงตามตรรลักษ์โดยการไม่คิดเองทำอย่างไรจะเห็นเป็นตามความเป็นจริงครับก็ไปดูคนแก่คนเจ็บคนตายตามโรงพยาบาลนะ อยากทราบว่าจิตนึกคิดก่อนตายระหว่างคนและสัตว์จะเหมือนกันไหมครับถ้าสัตว์ตัวนั้นใกล้ชิดกับคนตั้งแต่เกิดมาครับก็มันเป็นความคิดเหมือนกันนะไม่ได้คิดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ความใกล้ชิดกับกันมันอยู่ที่เรื่องของแต่ละคนจะคิดซึ่งอาจจะไม่คิดเหมือนกันก็ได้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้ไม่ได้บอกให้เขาว่าอยู่ใกล้ชิดก็จะต้องคิดเหมือนกัน การทำบุญงานศพได้บุญไหมครับได้เราควรจะเชื่อดวงเวลาเราดูดวงไหมครับไม่ต้องเชื่อให้เชื่อกรรมแทนพุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อกดแทงกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าถือศีลแปดแต่ต้องกินยาลหลังอาหารเย็นต้องทำอย่างไรครับก็ก็กินไปลย ก็กินไปเนเที่ไม่กินอาหารได้ไหมไม่กินทีเดียวเพราะมันตอนที่เรากินอาหารก่อนเที่ยงวันนี้เราก็กินทีเดียวไปหรือข้ามไปแต่ถ้าเรายังต้องรักษาร้างกายอยู่ต้องกินยาอยู่ล้วอาจจะับการถือสินแปดไปก่อนก็ได้ถือแค่ถือแค่สินห้าไปก่อนเป็นกานเราไม่ต้องกินยาแล้วเราเราค่อยกลับมารักษาสินแปด ถ้าบวชในวัดที่ไม่ดังพระมีน้อยแต่มีวัดปฏิบัติดีถ้าตั้งใจหมันม่นสมาธิภาวนาขยันตั้งใจให้มากจะบรรลุ ธ, ธรรมได้ไหมครับได้ถ้าอยู่ที่วัดที่มีพระที่บรรลุ ธ, ธรรมเป็นผู้สอนเป็นคนเฉยๆกับทุกเรื่องต้องการหาความสุขในชีวิตมีวิธีหาความสุขอย่างไรดีครับนีนคุณหมออ่านมเนย บอกว่าเป็นคนเฉยๆกับทุกเรื่องครับต้องการจะหาความสุขในชีวิตจะมีวิธีหาความสุขอย่างไรดีครับก็ความสุขกับความเฉยนั่นดีสุดนัเฉยนี่นมันก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่วายกับใครนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขอย่างอื่นนี่มีความสุขปลอมความสุขจากรูปสียงกิตติ์นี่มีความสุขชั่วคราวพอมันหายไปมันก็จะทําให้เราซึมเศร้าได้ ถ้ารามีความสุขจากการอยู่เฉยๆได้ก็ดีแล้วะนั่นแหละเป็นวิธีหาความสุขที่ดีที่สุดเวลาที่เราฝันเห็นผีสวดอิติปิโสในฝันติดๆขัดๆจะทําอย่างไรครับจะขอคำแนะนําพระอาจารย์ครับในฝันเราทำมา ไ, ไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตที่เราไม่มีสติควบคุ ม, มคบางขั้นมันอาจจะเป็นเพราะเราตอนที่เราไม่ได้นอนหลับเราอาจจะไม่ได้สวดมนต์บ่อยก็ได้เมื่อลยร่สวดแบบติดๆขัดๆ ถ้าพยายามฝึกสวดมนต์ให้บ่อยๆขึ้นมันจะได้จําได้แต่ใ้เวลาฝันมันจะได้ฝันว่าเราได้สวดมนต์อย่างต่อเนื่องได้สาเร็จขณะนั่งบางครั้งดูจิตบางครั้งก็หันมาดูกายเคลื่อนไหวสลับไปมาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกถ้านจะนั่งต้องดูลมอย่างเดียวเรื่องบริกรรมพุโทโธพุโทโธบอย่าไปดูกายดูจิต การป้องกันไม่ให้เป็นคนหลงตัวเองจะทำอย่างไรครับต้องมีสติทำาเไรต้องมีสติแล้วเราก็จะไม่หลงไม่ลืมที่หลงลืมเพราะไม่มีสติกันทาแล้วทาแบบใจลอยทำพอทาไปเสร็จแล้วก็จาไม่ได้ว่าทำหรือเปล่าพระโสดาบันท่านยังมีพยาบาทอยู่บ้างใช่ไหมครับเพราะยังมีสังโยช์เหลืออีกเจ็ดข้อครับใช่ การซื้อสิบขายเสียงถือว่าเป็นบาปไหมครับก็มันจะเป็นเรื่องของกฎหมายทั้งโลกซึ่งทางธรรมเรามันไม่มีมันไม่มีการเลือกตั้แต่ก็อาจจะนึโลมได้ว่าเขาไม่ให้ซื้อก็ถ้าเราถ้าเราไปซื้อมันก็เหมือนกับเราทําผิดกฎหมายแต่ไม่ทราบผิดจิยธรราหรือเปล่าเรื่องซื้อเสียงขายเสียงเนี่ย ผ ม, มว่าเผมือนพระอาจารย์ครับผมการที่เรารักคนที่มีเจ้าของแต่เราไม่ได้หวังที่จะได้เขามาครอบครองนี่ถือว่าผิดศีลข้อสามไหมครับก็ยังเรอถ้าเราไปเอาเข้ามามีกิจกรรมโลกของเขาเนะี่ยมันจะผิดศีลข้อสามเอามาพิดถึงในกลามของพระอาจารย์ครับแต่ ถ้าเราคิดว่าผิดศีลผิดกฎหมายมันก็จะผิดศีลไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับกหมายที่มไ ม, ม, ไม่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนศีลถ้ามันมันไม่ได้ตั้งอยู่บนศีลธรรมมันก็ไม่ผิดศีลธรรมกนได้ครับพนักงานประมาทในการทํางานเลยเกิดอุบัติเหตุเราเป็นในจ้างบาปไหมครับไม่บาปเปนความผิดเของกอง ดูแลน้าสาวจนเสียชีวิตมีเงินของน้าสาวอยู่กับเราได้นาเงินทําบุญให้โรงพยาบาลจนหมดอย่างนี้หน้าสาวได้บุญไหมครับหน้าสาวได้ถ้าตอนที่เขาให้เราเนี่ยเขาก็ได้บุญนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ให้เรานี่เป็นเงินที่มันก็เขาจะไม่ได้บุญเลยเพราะเป็นเงินที่มันไม่ได้เป็นของเขาแนละ้วแล้วทางกฎหมายมันก็จะเป็นของทายาท ต, ต่อไป แต่เราสามารถทําบุญนี้่เราอุทิศบุญไปให้กับเขาได้แต่บุญจะไม่เท่ากับที่ถ้าเขาทาของเขาเองเขาจะได้มากกว่าการส่งข้าวให้พระทุกวันแต่ไม่ได้ใส่บาตได้บุญไหมครับได้ก็เป็นการทําทานทําทําบุญใส่บาตรเหมือนกันผมช่วยจัดงานศพให้แม่ยายแล้วฝันว่าเขามาก้มกราบขอบคุณผม อย่างนี้จะบาปไหมครับไม่บาปเป็นความฝันพระอริยบุคคลยังมีเผลอสบทคำหยาบไหมครับไม่มนะีตั้งแต่ว่าโซลาบันขึ้นไปเลยน่าจะมีแนะคำหยาบเพราะฉนรักษาศีนิีงหมาชีวิตเนะีเก็บเสื้อผ้าของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วใส่ตู้ไว้กับบ้านเป็นอะไรไหมครับ เป็นนนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันโดยดูท้องพองยุบและบริกรรมพองอยู่ยุบอยู่พร้อมกับดูจิตไปด้วยเช่นรู้ตามจิตว่าได้ยินอยู่ปวดขาอยู่แล้วดึงจิตกลับมาดูท้องพองยุบต่อแบบนี้ถูกวิธีไหมครับไม่ถูกหรอกควรจะดูที่ยุบน้อยพองน้อยอย่างเดียวก็พออย่าไปดูจิต การทําบุญโดยการจับต่อต่อกันแบบนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกบุญของใครของมันเวลาเขาพาพาอนุโมทนาแล้วไปที่กดน้ําอันเดียวเขาเลยอาศัยที่กดน้ํา น, นั้นร่วมร่วมกวดน้ําด้วยตามจริงเรากดน้ดําดยที่ไม่ต้องใช้น้ําได้ไม่ต้องมีน้ําก็ได้เ ร, เราเพียงเราเลิกถึงในใจของเราว่าขออุทิศบุญที่เราได้ทําในวันนี้ให้กับคนนั้นผู้นี้ไป เม่ต้องมีน้ำเป็นเครื่องแสดงการอุทิศบุญแต่อย่างไดอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายครับการกรวดน้ำแผ่เมตตาทาให้บุญที่เรามีเหลือน้อยลงจริงไหมครับไม่จริงอะ่ะไม่มากขึ้นเพราะการแผ่เมตตาการอุทิศบุญนี่เป็นการสร้างบุญให้กับเราด้วยให้กับผู้ตายด้วย ขอการครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ด้วยกันในเฟซ499ในยู566ในคลับ5ในติ๊กต็อก526ครับวันนี้มีผู้ฟังทำด้วยกัน 1,596 ท่านนะครับเริ่มอ่านคำถามเวลา20นาิกา13นาทีวันนี้พระอาจารย์ตอบไป123คำถามครับผมก็ยินดีกับทุกชั้นที่มาเริ่มสนทนาธรรมังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็ น, น้อย การสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านคุณหมอไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านลงนาเสิงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพพเพนิดเพจนาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, ง, งขึ้นไปเทสาทุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ ถ้าโอกาสหน้าไม่มีเหตุฉัดเข้าวันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในเวลาเดิมของเจริญพรครับอาจารจะไปเช็คกล้องหรือว่าเป็นอะไรครับอาจารย์ครับแต่ผมสังเกตว่าเสียงดีกว่าทุกครั้งครับอาจารย์ครับก็แปลกนิดนึงเดี๋ยวเด็กกันใหม่ครับครับอาจารย์ครับครับครับผมลาเือ